อาจารย์มีอะไรเปล่าคืออาจารย์ครับไอทางสายกลางมหมายความถว่าไม่ให้ไปยุ่งกับเรื่อง ต, ตากิลมาทานโยกตกากิลมทานโยกก็คือคนเราทุกวันนี้เราก็หาวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆก็มีสองมีสามทาง ทางซ้ายทางกลางทางขวาทางเหมือนกับถนนเนี่ยมันมีสามเลงวิธีแก้ความทุกข์ของคนเราเขาก็มีอยู่สามทางทางญาติโยมนี้ก็แก้ด้วยการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเวลาไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไร อันนี้เรียกว่าการหาความสุขทางกามอารมณ์เพื่อดับความหงุดหงิดลำคาญใจอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ทางที่ดับได้อย่างแท้จริงดับได้ชั่วขณะที่ไปไปเสพกามกันเวลาไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปกินเลี้ยงไปงานอะไรก็สนุกสนานเฮฮา แล้วพอกลับมาบ้านก็เหงาเหมือนเดิมอีกทางหนึ่งก็พวกยุดสีโยคะต่างๆโยคยีที่คิดว่าการจะดับความทุกข์ได้นี้ต้องสู้กับความทุกข์ ต, ต้องต้องต้องหาถ่ายความทุกข์ใส่ตัวเองแล้วจะอยู่เนือความทุกข์ได้เอง ที่เขานั่งบนตะปูนั่งบนที่นั่งที่มีของแหลมคมทิ่มแทงหรือบางคนก็เอาของแหลมของคมมาทิ่มปากทิ่มลิ้นหรือทำการทรมารร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้มีความเข้มแข็งจะได้จะได้ไม่ทุกข์กับความทุกข์ต่างๆแต่มันก็ดับไม่ได้ สมัยก่อนที่พระเจ้าจะพบคน้นทางสายกลางนี้ก็มีวิธีแก้ความทุกข์สองวิธีวิธีส่วนใหญ่ของคนส่วนใหญ่ก็คือไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก็แก้ไม่ได้เดี๋ยวความทุกข์ก็มาใหม่ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลาดจากกัน ความสุขทางการมารมณ์นี้ดับไม่ได้ความทุกข์ทางร่างกายก็ดับไม่ได้ความทรมานตายตวยัวทรมารร่างกายด้วยวิธีต่างๆแต่ก็ยังกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายอยู่ออไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนที่ศึกษาใหม่ๆ ก็ทราบเพียงแต่วิธีนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิจิตก็สงบตอนนั้นก็ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่พอจากสมาธิมาพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่สบายใจคิดถึงการที่จะต้องพัดพรากจากคนที่เรารักสิ่งที่เรารักก็ไม่สบายใจกั้นมา ไปศึกษากับอาจารย์ที่ไหนท่านก็ไม่มีใครรู้รู้เพียงแต่วิธีดับทุกข์ก็คือให้หลบเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานชั้นต่างๆรูปฌปานอารูปฌป า, า, านสมาบัติฌานสมาบัติเนี่ยมีอยู่เก้าชั้นทั้งหมดก็ดับได้ชั่วคราว พอออกมาจากสมาธิมาอยู่มาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ไม่สบายใจพระ อ, องค์ก็เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยวิธีของตนเองก็ลองทรมานร่างกายเกว่าเกว่าถ้าไม่กินข้าวแล้วเราจะหายไหมมันก็ไม่หาย กินข้าไม่กินข้ายังกระทั่งร่างกายนี้พร้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกใจก็ยังทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่พอมันก็เลยทรงรู้ว่าไม่ใช่ทางการทรมานร่างกายก็ไม่ได้ดับความทุกข์ใจได้การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ได้เหมือนกันแต่การทำใจให้สงบเป็นสมาธินี้ได้ แต่จะทํไงให้มันสงบในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิอันนี้พระองค์ก็สงคนหาว่าเวลาออกจากสมาธิมาแล้วทำไมใจไม่สงบเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิก็เห็นว่าอ๋อเวลาเห็นคนแก่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากแก่ใช่ไหมเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะไม่อยากเจ็บเห็นคนตายก็ไม่อยากตาย เห็นการพาดพาคจากกันก็ไม่อยากจะพาดพาคจากกันก็เลยเปรียบเทียบดูเวลาอยู่ในสมาธิความอยากเหล่านี้ไม่มีใช่ไหเวลาจิตสงบไม่มีไม่ได้คิดถึงใครไม่ได้คิดถึงคนแก่คนเจ็บคนตายความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีดันในที่สุดก็ส่งคนพบความจริงว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยาก อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายที่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายครับเพราะอยากมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายยังมีความอยากในกลามอยู่กางตันหาภาวะตันหายังมีความอยากที่จะมีลาบยศเสรเสริมมีความอยากไม่สูญเสียลาบยศเสรเสริญไม่สูญเสียร่างกายนี้ไปก็ลองได้พบความจริงว่าออก ความทุกข์นี้เกิดจากความอยากสามประการคือการมรตันหาภาวตันหาวิภวะตันห า, ะะหาและการจะดับกามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาได้ก็ต้องดับด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือให้เรายุติห้ามห้ามกิจกรรมทางกามการหาความสุขทางกามเช่นศีลของนักบวช ไม่ใช่ศีลห้าศีลห้านี่ไม่ยังดับความทุกข์ไม่ได้ต้องใช้ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีล ส, สิบศีล ส, ส, ส, สองรอยี่สิบนี่จะห้ามไม่ไปทำกิจกรรมทางร่างกายเพื่อจะได้มีเวลามาทำกิจกรรมทางใจคือทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็จะมีพลังมีความสุขในใจและใจก็จะ มีความใสสว่างเหมือนกับแว่นตาที่ได้รับการเช็ดแว่นที่ได้รับการเช็ดนี่มันจะไม่มัวมันจะเห็นอะไรเห็นภาพตามความเป็นจริงเวลาแว่นตามัวนี่บางทีเห็นไก่เป็นนกก็ไดเห็นแมวเป็นหมาก็ไดเพราะมันมัวแต่ถ้าเช็ดให้มันใสเนี่ยจะเห็นอออแมว หมาเนี่มันต่างกันนกกับไก่มันต่างกันหรืองูกับปลาไหลนี่มันต่างกันอัในใดใจที่สงบนี้ก็จะเป็นใจที่ได้ลดกําลังของความหลงโมหะที่ครอบงำจิตใจใจจะเป็นเหตุเป็นผลไม่ไม่ถูกอารมณ์ครอบงาําคืออคติสี่รักชังกลัวหลงอย่างั้นพอได้สมาธิแล้ว เวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆนี้ถ้ามองตามความเป็นจริงก็จะเห็นถ้ามองเห็นอนิจจังก็จะเห็นอนิจจังถ้ามองเห็นทุกข์ก็จะเห็นทุกข์ถ้ามองให้เห็นอนัตตาก็จะเห็นอนัตตาแต่ถ้าใจมัวหมองถูกโมหะอวิชชาครอบงําอยู่นี่ให้มองอนิจจังไงก็มองไม่เห็นอนิจจังยังเห็นว่ามันเป็นนิจจังอยู่ ไอ้มองว่ามันทุกข์มันก็ยังเห็นว่ามันสุขอยู่ไอ้มองว่าไม่ใช่ของเราก็ยังเห็นว่าเป็นของเราอยู่มันก็เลยมีความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตัวเองพอมองเห็นว่ามันเป็นสุขมันไม่ได้เป็นทุกข์เห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่าเป็นสุขเห็นบุคคลต่างๆเห็นสิ่งของต่างๆว่าเป็นสุขเห็นว่ามันถาวร เห็นว่าได้มาแล้วก็จะอยู่กับเราไปตลอดใช่ไหมเวลาดูหนังในพระเอกเจอหนังเอกแล้วพอหนังจบก็ว่ายังไงก็จะอยู่กันไปตลอดใช่ไหมยังไม่มีวันตายจากกันไม่มีวันเนี่ยนะคือใจของคนที่ไม่มีสมาธิมันจะถูกความหลงโมหะอวิชชาครอบงำจะให้เห็นกับตาลปัด เห็นสิ่งที่เที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขเห็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรามันก็เลยเกิดความอยากได้สิ่งต่างๆมาครอบครองแต่คนที่นั่งสมาธิแล้วลาจิตออกจากสมาธิใหม่ๆนี้มันจะมองเห็นความจริงมันจะเห็นร่างกายว่าแก่เจ็บตายเห็นชัดเลย เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีได้มีเสียมีมามีไปเวลาได้มาก็สุขเวลาเสียไปก็ทุกข์ก็เลยเห็นว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีกำมันดับอย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงอนิจจังให้กับภาพบัญจารวกีครั้งแรกนี่หนึ่งในภาพบัญจารวกีก็เข้าใจหรยอออ สิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจิตของพระปัญจวคีรีทั้งห้านี้เขามีสมาธิกันแล้วเขาได้ฌานกันแล้วเองแต่ว่าเขามองไม่เป็นเท่านั้นเองเขาไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนมีพระพุทธเจา้าเนี่ยทรงฉลาดทรงพิจารณา ทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นไอ้มันไม่เที่ยงไงหวังมั้เวลามันไม่เที่ยงเวลามันดับมันก็ทําให้เราทุกข์ไปสิแล้วมันจะเป็นของเราได้ยังไงเวลามันดับมันก็ไปละมันก็จากเราไปแล้ะก็เลยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนเตือนใจเวลาไปหลงอยากได้อะไรก็บอกให้มันเที่ยงมันไม่เที่ยงให้ถามดูมันเที่ยงไม่เที่ยง มันสุขหรือทุกกันแนะมันเป็นของเราไปตลอดหรือเปล่าเราไปสั่งมันไปควบคุม บ, คบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่า อ, อันนี้ก็เป็นปัญญาอันนี้ไม่มีใครรู้ปัญญานี้ต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาบอกถ้าไม่บอกทุกคนก็จะมองเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงทุกอย่างเป็นสุข ยศสรรเสริญนี้เที่ยงได้มาแล้วต้องเป็นของเราไปจนวันตายใช่ไหมแม้แต่ร่างกายก็ยังไม่เคยคิดว่ามันจะตายเลยคิดกันหรือเปล่าว่าจะตายกันเนี้ยคิดแต่ไม่ยอมรับความจริงว่าจะต้องตายกันคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆนี่มันก็เลยทำให้ทำให้หลงกันแต่พอนั่งสมาธิใจสงบนี่ กิเลสมันจะตกตะกอนมันไม่ตายแต่มันตกตะกอนมันจะมันจะสงบตัวทำให้ใจใสเหมือนน้ำใสก็จะเห็นเห็นสิ่งที่ต่างๆที่มีอยู่ในน้ำเห็นปลาเห็นปูเห็นอะไรต่างๆใจใสก็จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่จะเห็นก็ต้องมีปัญญามามาชี้บอกมาสอน เมืนเด็กเด็กบางทีไม่สอนก็ยังไม่รู้ว่าไฟนี่มันร้อนต้องสอนเด็กเด็กถึงจะรู้บางทีเด็กก็ดื้อไม่ฟะไม่เชื่อก็เอาไปเล่นกับไฟดูพอเล่นกับไฟถึงจะรู้ว่ามันร้อนพอโดนไฟไหม้เขานี้มันถึงรู้ว่ามันร้อนต้องสอนใจของปุถุชนนี่จะมองไม่เห็นปลายรักกันจะเห็นอันนี้จังทุกข์ จะเห็นตรงกันข sure. ้ามกันก็เลยต้องมาสอนใจใหม่มาปรุกแกมใจใหม่โดยเวลาที่ออกจากสมาธิใหม่ๆนี้ใจใสใจมีเหตุมีผลพอสอนเรื่องความเป็นของไม่เที่ยงของร่างกายก็จะเชื่อจะเห็นตามว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะเชื่อจะยอมรับความจริงได้ ถ้าไม่มีสมาธิมันไม่เชื่อมันไม่ยอมรับความจริงมันพยายามจะเกบมันพยายามจะลืมพยายามที่จะไม่คิดถึงมันเพราะคิดถึงความตายแล้วมันไม่สบายใจเลยไม่มีใครคิดแล้วมีห้ามไม่ให้คิดไม่ให้ใช้คําว่าตายกันเจ๊ะไหมบานใครนี่ใครไปพูดว่าคําตายแปลว่าไปพูดว่าตายนี่เหลือก็ไล่เราออกจากบ้านเี น, นะเถือหรนอเปล่ นะอำนาจอำนาจของอวิชชาโมหะมันมันรุนแรงขนาดนั้นมันจะทาให้ไม่ให้ใจให้ยอมรับให้เห็นความจริงให้เห็นความตายกันแต่ถ้านั่งสมาธิแล้วมันจะยอมมันจะยอมรับความจริงจิตสงบแล้วอคติมันจะถูกตัดกำลังลงไปมันอาจจะไม่หายแบบถาวรแต่มันจะถูกลดกำลัง เหมือนตกตะกอนตอนที่อยู่ในสมาธินี้อคาาติไม่มีรักชังกลัวหลงไม่มีแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเดี๋ยวมันก็เริ่มกลับคืนขึ้นมาตะกอนมันก็จะออลอยขึ้นมาใหม่เวลาเราเริ่มตักน้ำเดี๋ยวน้ำมันก็ขุ่นเหมือนเดิมอีกแล้วมันก็จะไม่เห็นความจริงกันไม่ยอมรับความจริงกัน ไม่ยอมรับว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแ ม, แ, มแม้แต่ให้เป็นรัฐมนตรีแค่หกเดือนก็ยังเอา เ, อเลยวะเพราะหกเดือนนี่ยังโกยได้เยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางสายกลางที่พระเจ้าสองคมพบว่าถ้าอยากที่จะ กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่ต้องมีศีลของนักบวชศีลแปจะได้มีเวลามาปฏิบัตินั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วก็มาเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแล้วก็ด้วยการพิจารณาตามที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาพระเจ้าสอนมาให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ต้องมีการพัดภาคจากกาันเป็นธรรมดาร่วงพ้นการพัดภาคจากกาันไปไม่ได้ให้คิดบ่อยๆให้คิดจนกระทั่งไม่ลืมมองอะไรเห็นอะไรต้องเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นการพัดภาคจากกาันทุกเวลานาที มันจะได้ไม่หลงเห็นแบบที่เราเห็นนี่มันไม่พอเรารู้กันทุกคนเกิดมารู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มักจะลืมกันไปมักจะลืมว่าเราจะไม่ไม่ตายกันไม่แก่กันเราก็เลยทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจกับการหาราบยศรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกันแล้วพอมันเจอความแก่ความเจ็บเข้าก็เสียหลัก บางทีก็เครียดทุกข์บางทีก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะมันทุกข์ทรมานใจเพราะความอยากที่จะหาความสุขแต่หาไม่ได้แล้วร่างกายแก่แล้วร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะตายแต่ถ้าเราม า, มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากัน มาอยู่วัดมาถือศีล8ศีลส0ศีลส้ีสิบแล้วก็มาเจริญสติเพื่อให้นั่งสมาธิทำใจให้สงบเราทำบ่อยๆใจก็จะนิ่งจะสงบแล้วใจก็จะมีอุเบกขาใจก็จะวางเฉยเฉยต่อความแก่ความเจ็บความตายเฉยต่อการพัดภาคจากสิ่งต่างๆได้ถ้าไม่เฉยก็ใช้ปัญญามาเตือน ปัญญาก็บอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอยากไปอยากให้มันเที่ยงอยากไปให้มันให้ความสุขกับเราอยากไปอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้เวลาอยากแล้วมันจะเครียดแล้วเวลาไม่ได้ก็ยิ่งเครียดใหญ่แต่ถ้าไม่อยากมันจะไม่เครียดมันจะเฉยเฉยมันจะเป็นอุเบกขามันจะไม่ทุกข์กับ เหตุการ์ต่างๆเรามาปฏิบัติเราไม่ได้มาเปลี่ยนความจริงเรามาเรียนรู้ความจริงเพื่อที่จะสอนใจให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับความจริงคือให้วางเฉยให้ปล่อยวางให้ยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าจะต้องเสียเมื่อวานนี้ก็สอน มีกลุ่มนักศึกษามาฟังเทศจากมลเกษตรบางเขนเราก็บอกว่าความรู้ทางโลกที่พวกเราเรียนกันนี้มันสอนให้เราหาหาข้าวหาของกันหาลาบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันแต่ก็ไม่สอนวิธีให้ปล่อยให้คืนขอ ง, ของนี้ของเหล่านี้ที่เราหาได้มาเพราะของทุกอย่างที่เราหาได้มาสักวันหนึ่งเราจะต้องคืนเขาไปหมด เราจึงต้องมาเรียนกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่รู้ว่าเราได้อะไรมาในโลกนี้ในที่สุดเราก็ต้องคืนเขาไปหมดเราเอาอะไรไปกับตัวเราไม่ได้เลยที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเราไม่ยอมคืนกันเราได้อะไรมาแล้วเราก็หวงยึดติดไม่ยอมเสียพอเขาเอาไปเข้าก็เสียใจร้องห่มร้องไห้ะ พอเสียของที่เรารักไปก็ร้องห่มร้องไห้กันเสียลูกเสียภรรยาเสียสามีเสียวิดามารดาเสียใครก็ตางพอเสียแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันเพราะในทางโลกเขาไม่สอนให้รู้จักเสียกันของทุกอย่างที่เราได้มามันเหมือนกับของที่เรายืมเข้ามาเราต้องรู้จักวิธีคืนเขาเวลาเจ้าของเขามาขอคืนเราต้องคืนเขา ถ้าเราคืนเข้าด้วยความยินดีเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราคืนด้วยความไม่ยินดีเราก็จะทุกข์เนี่ยเราเลยต้องมาฝึกวิธีคืนของกันคืนลาบยศสารเสรินคืนลูกเสียงกลิ่นรสคืนตาหูจมูกลิ้นกายคือร่างกายด้วยการมาทำใจให้สงบเราก็สอนใจว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเรานะ เราเตรียมตัวคืนเจ้าของก็ไปได้แล้วนะเดี๋ยวเขาก็มาขอคืนแล้วเวลาแก่นี่เขาก็มาเตือนแล้วนะว่าใกล้แล้วน ะ, ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใกล้เข้ามาแล้วน ะ, ะเตรียมตัวมีวละทั้งหลายก็คืนให้เขาไปถ้ารู้จักวิธีคืนก็คือปล่อยวางวางเฉยไม่ไม่มีความอยากไม่คืนมันก็จะไม่ทุกข์ ถ้ามีความอยากไม่คืนมันก็จะทุกข์เนี่ยต่อให้เรียนรู้ทางโลกไม่ว่าวิชาแขนงใดก็ตามมันสอนให้เราหาทั้งนั้นมันไม่ได้สอนให้เราคืนเลไม่สอนแต่ให้เอาอแต่ไม่เคยสอนว่าให้เราคืนเขาไปเพราะคิดว่าเป็นของเราพอได้อะไรมาแล้วมันเป็นของเราถึงต้องมาเรียนกับพระพุทธเจ้ากัน เพราะถ้าไม่เรียนมันก็จะทุกข์กันเวลาที่เราต้องคืนของต่างๆที่เราหามาได้นี่มันจะทุกข์มากถ้าเราหวงถ้าเราไม่ยอมคืนสังเกตเด็กดูเลยเด็กบางทีมันแบอวของคนอื่นมาแล้วเราแย่งจะบอกบอกให้เข้าไปคืนเจ้าของมันไม่ยอมอพอเราดึงออกจากมือมันมันก็ร้องใหญ่เลยที่มันไปขโมยหยิบของเด็กคนอื่นมาเงนี้ ไอเด็กคนอื่นก็ร้องไอเราก็บอกเฮ้ยนี้ไม่ใช่ของเราคืนเขาไปไม่ยอมคืนบานทีเราดึงออกจากมือมันก็ร้องนี่แหละนิสัยของจิตของปุถุชนทุกคนเป็นอย่างนี้เกิดมาแล้วพอได้อะไรแล้วมาจะต้องหวงจะยึดติดเนี่ยจะไม่ยอมไม่ยอมให้ใครโดยเด็ดขาดนอกจากมันไม่เอาแล้วมันเบื่อแล้วน่ะมันถึงจะให้ได้ เป็นของเสียนี่ให้ได้ของเสียของเก่านี่ให้ได้เอซื้อ iPhone เครื่องใหม่มาเครื่องเก่าใครอยากได้เอาไปตอนนี้เราก็ต้องหาความสุขอันใหม่มาแทนความสุขอันเก่ากันถ้าเราได้ความสุขจากความสงบจากการนั่งสมาธิเราก็จะคืนของเก่าไปได้หมดเลยคืนร่างกายคืนลาบย่รเสริญคืนลูกเสียงกิ่นลดไปได้เพราะเรามีของใหม่ที่ดีกว่า มีความสงบนี่ยความสงบจึงสําคัญอย่างเงี้ยสำคัญสองอย่างหนึ่งเราได้ความสุขกันใหม่ที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆ่สองเราได้อุเบกขาได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้ตาที่สว่างได้เห็นมีความสามารถที่จะมองเห็นความจริงได้ตามความเป็นจริงคือมีเหตุมีผลไงใจที่สงบนี้จะเป็นใจที่มีเหตุมีผล ใจที่ไม่สงบนี้จะเป็นใจที่มีอารมณ์คล้องงำอารมณ์ก็คืออคติมีรักชังกลัวหลงถ้ารักอะไรแล้วถึงแม้เขาจะผิดเราก็ว่าไม่ผิดใช่ไหมถ้าเราชังใครแล้วถึงแม้เขาจะถูกเราก็ว่ามันผิดอันนี้แหละคืออคติลูกเราทำผิดยังไงเราก็ว่ามันไม่ผิดลูกคนอื่นทำถูกยังไงเราก็ว่ามันผิดใช่ไหม ี่แล้วอคติแต่ถ้าจิตเป็นกลางเป็นอุเบกขาจะไม่ว่าอย่างนั้นใครผิดก็ว่ามันผิดไปตามความจริงลูกผิดก็ต้องว่ามันผิดลูกเขาถูกก็ต้องว่าเขาถูกใจที่เป็นกลางจะเป็นอย่างนั้นใจที่มีเหตุมีผลใจที่มีสมาธิจะเป็นแบบนั้นใจของคนจึงมีความแตกต่างกันคนที่มีโมหะมากโลภโมโทสันนี่พูดด้วยเหตุด้วยผลฟังไม่ คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะเขาจะเอาแต่อารมณ์ของเขาฉันถูกของฉันอย่างเดียวเธอผิดเธ อ, อย่ว่าไงแต่ถ้าคุยกับคนที่มีเหตุมีผลนี่ก็คุยกันได้คนที่มีเหตุมีผลก็สแสดงว่ามีอุเบกขานี้จะปริมาณอุเบกขาของแต่ละคนอาจจะมีมากน้อยต่างกันตามกำลังของสติที่คอยควบคุมความคิดปรุงแต่ง ถ้าเรามีสติมากใจของเราจะไม่ค่อยคิดปรุงแต่งใจเราก็จะเห็นมองมองความเป็นจริงตามความเป็นจริงได้ถ้าคิดปรุงแต่งมักก็จะคิดไปในทางอคติไม่ดีก็ว่าดีใช่ไหมคนเสพยาเสพติดถ้ามองด้วยเหตุด้วยผลมันร้วมันไม่ดีแต่ถ้ามีอคติมันมันว่าดีเสพแล้วสบายเสพแล้วขึ้นสวรรค์แต่ขึ้นสวรรค์เดียว พอฤทธยาหมดก็ตกลงมาตกนรกก็ต้องคอยเสพอยู่เรื่อยเสพมากๆเดี๋ยวก็ตายพิดของยาเสพติด ม, มันร้ายแรงมันฆ่ามันฆ่าคนได้ทำลายชีวิตได้ในปุถุชนส่วนใหญ่นี้ยังมีอคติกันอยู่ยังมีความรักชังกลัวหลงกัน ถึงต้องมาฝึกทำสมาธิให้ใจมันมีอคติน้อยลงไปให้มีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็เอาความจริงที่พระเจ้าทรงรู้นี่มาสอนใจมันก็จะมันก็จะเห็นตามได้มันก็จะรับได้แต่ถ้ายังไม่ไม่มีไ ม, ไ ม, ไม่ยังไม่มีโอเบคาอันนียมีอคติเราไม่พูดเรื่องความตายมันก็ไม่ฟังนะเนี่ยคนมาฟังเทศน์ที่นี่บางคนถ้าจิตไม่ไม่แน่ ไม่แน่แน่ฟังเรื่องแก่เจ็บตายบ่อยๆก็ไม่กลับมาก็มีฟนะังหนสองหนมาทีไรก็เจอแต่เรื่องแก่เจ็บตายฟังแล้วไม่สบายใจสแสดงว่าใจยังมีคติอยู่ยังมีรักชังกลัวหลงอยู่กลัวความตายกลัวความแก่กลัวความเจ็บอยู่นี่คือทางสายกลาง สีนสมาธิปัญญาหรือมรรคแปเนี่ยก็ย่อมาเป็นสามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกร ป, ปรก็คือองค์ประกอบของปัญญาสัมมาทิฐก็คือความเห็นตามความเป็นจริงคิดตามความเป็นจริงไม่ได้คิดไปตามกับความหลงแล้วก็สัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมม า, าชีวก็เป็นศีนสัมมากรรมันโตก็การกระทํา เช่นไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดอะไรนี้หรือถ้าเป็นนักบวชก็ไม่เสพกาไม่ร่วมหลับนอนกับใครอาชีพก็ไม่ทำอาชีพที่ทำให้คนอื่นเสียหายเดือดอร้อนเช่นค้าอาวุธเนี่ยค้ายาเสพติดค้าสุรายาเมาค้าของที่มีชีวิตค้าเป็ดค้าไก่เพื่อให้เอาไปฆ่าขาย ทำแม่รมอาชีพเหล่านี้ก็ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเราไม่ต้องการที่จะสร้างความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่นแล้วก็องค์ประกอบต่อมาก็สมาธิก็สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้สามตัวสัมมาวายโมก็คือความเพียรเนี่ยเพียรเพียรอะไรเพียเรเะืญรอนสติ จังสติทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาถ้านั่งหลับตาจิตสงบรวมลงเป็นสมาธิก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิถึงเป็นสัมมาสมาธิถ้าเป็นสมาธิแบบอื่นก็ไม่ใช่ถ้าเป็นสมาธิแบบมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริไม่ใช่สัมมาสมาธิเพราะมันจะไม่มีอุเบกขาถ้าไป เข้าสมาธิปั๊มแล้วไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้ไปพบปะเทวดงเทวดาได้คุยกับเทวดาอะไรต่างๆเหล่านี้ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวแดนอบายอันนี้เรียกว่ามันไม่ได้เป็นสมาสมาธิเพราะใจไม่นิ่งใจไม่เป็นอุเบกขาใจยังมีรักชังกลัวหลงอยู่เวลาไปเห็นอะไรในสมาธิก็รักได้ชังได้ บางคนไปเห็นภาพที่น่ากลัวก็กลัวเลยแล้วก็ไม่กล้านั่งอีกต่อไปไม่อยากจะนั่งคนที่ไปเห็นของที่น่ารักก็อยากจะนั่งเพว่จะให้เห็นบ่อยๆพอคราวหน้านั่งแล้วไม่เห็นก็เสียใจสมาธิแบบนี้ไม่ดีเหมือนกับไปเที่ยวเจริงแล้วแทนที่จะเอาร่างกายไปเที่ยวเอาใจไปเที่ยวแทนเที่ยวในโลกคริปยังเห็น เห็รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อยู่มันก็เหมือนกับเห็นรูปหยาบเสียงหยาบกลิ่นหยาบที่เราเศษกันอันนี้เป็นมิจฉาสมาธิไม่ควรที่จะเข้าไปทางนั้นถ้ามันไปทางนั้นต้องดึงมันกลับด้วยสติบริกรรมพุโทโธพุโทโธต่อไปจนกว่ามันจะเข้าไปในอัปปนาสมาธิมันก็จะนิง่งจะสงบเย็นสบายมีความสุขมีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ อันนี้จะเห็นตัวรู้ด้วยเห็นผู้รู้ด้วยเห็นตัวจิตด้วยอันนี้แล้วสัมมาส ม, มาธิมีตัวนี้แล้วออกมาก็ใช้ปัญญาได้ใช้ปัญญามาสอนใจได้สอนใจให้มองว่าทุกอย่างไม่เที่ยงก็จะมองสอนให้มองอสุภะก็จะมองตอ น, นถ้าไม่มีสมาธิสอนให้มองไงก็ไม่อยากจะมองให้ดูภาพคนตายก็ไม่อยากจะดู ชอบดูภาพคนเป็นชอบดูภาพภาพยนตร์ภาพของดาราภาพพยนตร์ภาพของนายแบบนางแบบอาจจะไม่ชอบดูภาพของซากศพเห็นไหมเพราะมันมีความรักเยรับชังเยยังไม่มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วมันจะเฉยเฉยดูภาพไหนก็ได้ดูภาพดาราก็ได้ดูภาพคนตายก็ได้ ใจจะไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านแต่อย่างใดไม่มีรักไม่มีชังจังก็จะทําให้เราสามารถมองเห็นความจริงว่า อ, อ๋อร่างกายของคนทุกคนในที่สุดก็ต้องกลายเป็นซากศพไปร่างกายของเราก็ต้องเป็นซากศพไปร่างกายของคนทุกคนก็ไม่สวยเวลาตายแล้วไม่น่าดูเวลา เวลาอยู่ถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังก็ไม่น่าดูเีกถ้าใช้เอ็กซาเช้แสงเอ็กซรดูก็จะเห็นโครงกระดูกเนี่ยเห็นกระเพาะลำไส้ตับไตหัวใจปอดอันนี้จะเห็นได้ต้องมีสมาธิก่อ น, นไม่ยอมมองมันไม่ยอมพิจารณาเพราะมันถ้าพิจารณาตอนที่ไม่มีสมาธิมั น, เ ห, นเห็นแล้วมันก็ มันหดหู่บ้างขยะขแยงบ้างยังต้องมีสมาธิก่อนแล้วสมาธิก็มีความสุขก็จะทําให้เราไม่ต้องอาศัยความสุขทางอื่นได้ถ้าเรามีความสุขจากสมาธิแล้วเราไม่ต้องมีแฟนก็ไดนะ้ยิ่งถ้าเห็นเห็นแฟนเป็นซากศพก็ไม่มีดีกว่านอนกระสบทุกวันรู้เป่า ยังยังเป็นสพหายใจได้ในชะ่พอมันหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่เอาใชนะ่ไหยกให้สับปปเปลเรเลยแต่ถ้ายังหายใจอยู่นี่ใครมาแตะไม่ได้เนละ <laughs> อันนี้แหละมันต้องมีสมาธิก่อนถึงจะพิจารณาอัตไทรักได้พิจารณาอัุวภะได้ไม่งั้นมันจะมีมีสิ่งที่ต่อต้านมีอคติที่จะต่อต้าน ความชังความกลัวในสิ่งเหล่านี้จะไม่ทาให้เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้พอไม่มองมันก็เลยลืมไปมันก็เลยคิดว่าไม่มีไปมองเห็นคนก็เห็นสวยเห็นงามไปหมดไม่เห็นลำไส้ของเขาเนี่ยลองถ้าถ้าผิวเราเป็นสายเหมือนถุงพลาสติกนี่เป็นไงดีไห <c oughs> เดินไปไหนก็เอ <c oughs> <c oughs> ไมนเวลาที่ก็ซื้อพวกลำ ตับไตไส้พุงของของวัวของอะไรนี่ใส่ในถุงพลาสติกหิ้วเดินไปเนี่ยถ้าท้องเรานี่ใสายมันสุงพลาสติกแลมันก็จะเห็นเห็นลำไส้เ็นไม่หมดเนี่ยมันไม่เห็นเราก็ต้องมองมันไม่มันมีอะไรมากั้นรเราก็ต้องมองให้เห็นใช้ตาเอ็กซเรย์ปัญญาเนี่ยเขาเรียกตาเอ็กซเรย์มองทะลุผิวหนังได้ แสงสว่างนี้มันยังมองทะลุผิวหนังไม่ได้แสงแสงสว่างแสงดวงอาทิตย์นี่ยังใช้ทะลุสิ่งที่ทึบไม่ได้แต่ปัญญานี่มันมองทะลุได้เลยของทึบขนาดไหนมันก็สามารถมองเห็นด้วยการด้วยการพิสูจน์ด้วยการไปผ่านมันออกมาดูอดูแล้วก็มาจดมาจำไว้แล้วต่อไปมองเห็นมองร่างกายของใครก็เห็นทะลุไปหมด แล้วมันก็จะตัดอารมณ์ความอยากต่างๆไปได้หมดพอไม่มีความอยากที่จะเสกความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เสียดายร่างกายนละ้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเนะพราะมีความสุขจากความสงบนี้พอแนละ้วดีกว่าดีกว่าไปมีความทุกข์กับร่างกายมีความทุกข์กับร่างกายของคนอื่น พอไปลักเขาเดี๋ยวเขาตายแล้วก็ทุกมีความสุขกับร่างกายของเราพอร่างกายเราตายก็ทุกข์เองแต่ถ้าเราไม่ไปอาศัยมันให้ความสุขกับเราเราก็ไม่สนใจมันจะอยู่ได้ก็อยู่จะอยู่ไม่ได้ก็ช่างหัวมันเพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้วเหมือนเราได้รถคันใหม่รถคันเก่าเราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมมันจะเสียมันจะไม่ มันจะไม่วิ่งหรือจะไงก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเรามีรถคันใหม่ที่ดีกว่าใช่ไหมนี่เราเพิ่งซื้อรถใหม่มาใช่ไหมคันเก่าเก็บไว้ป่าขายไปเลยใช่ไหมเรื่องใช้คันใหม่ดีกว่าเนี่ยถ้าเราได้ความสงบจากสมาธิแล้วเราก็จะเลิกเที่ยวได้เลิกดูหนังฟังเพลงเลิกไปมีแฟนได้เพราะเราจะมีความสุขจาก ความสงบจากนั่งสมาธิมากกว่าความสุขจากการมีแฟนแล้วเราก็จะไม่สูญเสียความสุขอันนี้ไปเพราะมันจะอยู่กับเราไปตลอดเราไม่ตายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจแล้วความสงบของเราก็คือความสงบของใจนี่มันก็จะอยู่กับเราไปตลอดไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่ขึ้นอยู่กับร่างกาย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ยังมีความสุขได้เหมือนเดิมเ mm hmm. พราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้ว mm hmm. ละทางสายกลางจะพาเราไปสู่ความสุขอันใหม่ที่จะทำให้เราปล่อยวางความสุขอันเก่าได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส mm hmm. ความสุขจากตาหูจมูกเล่นกายเ mm hmm. พราะมันเป็นของชั่วคราว เดี๋ยวเวลาแก่เวลาเจ็บก็ใช้มันไม่ได้ละเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่ก็หาความสุขจากลาบยศเสรเสริญหาจากรูปเสียงกลิ่นลดไม่ได้นะเวลานั้นคนจะไม่ชอบกันไม่ชอบแก่ไม่ชอบเจ็บไม่ชอบตายกันแต่ก็ห้ามไม่ได้อันนี้เป็นธรรมชาติเป็นความจริงของร่างกายของทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายดังนั้นเราควรที่จะมาหยุด ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันแล้วมาอาศัยศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือหาความสุขกันมาถือศีลแปดมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเรา ไม่ต้องมีร่างกายเหมือนไปซื้อรถใหม่ซื้อรถใหม่แล้วรถเก่าก็ยกให้คนอื่นไปรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงความสงบนี้เป็นรถแห่งธรรมธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญาพอปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็จะได้ใจที่สงบ ที่มีความสุขมากกว่าความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายทางราบยศ ส, สรรเสริญก็เลยไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีตาหูจมูกเล่นกาย ม, มีศีลสมาธิปัญญาพอละอาจจะเข้าใจยังทางสายกลางในนี้ มีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์เคยสอนว่าถ้าเกิดเออ่เราเราเจอคนอย่างเงี้ยแล้วมองเป็นอสุวะให้ได้ทุกคนเลยก็ดีเงี้ยคะ่ะเวลาที่อยู่ในที่คนเยอะๆอย่างเงีแล้วมีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเช่นอยู่บนรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยพอทำแล้วลรู้สึกว่ามันมันคิดว่ามันปวดหัวค่ะก็ไม่ต้องไปคิดมันเอาเฉพาะเวลาเอาคนที่เราชอบก็พอค่ะอถ้าดูา ต, ตรงนั้นไปนเลยออา พอเราไปเห็นคนไหนสวยอยากจะได้เป็นแฟนก็เอาคนนั้นแหละ <c oughs> ดูสุภาพของคนนั้นก็พอ <c oughs> ไม่ต้องไปดูทั้งหมดหรอกเพราะเราไม่ได้เอาเข้ามาเป็นแฟนเราทั้งหมด <c oughs> ดูก็ปวดหัวเลย <c oughs> ดูงั้นมันก็ปวดหัวใช้ความคิดเยอะเอาเฉพาะคนที่เรากําลังจะไปแต่งงานด้วยเนี่ย <c oughs> คนไหนกำลังจะไปมั่นเนี่ย <c oughs> เริ่มพิจารณาสุภาพของเขาได้แล้วได <c oughs> ้เห็นเขาเป็นอสุภาพก็จะได้ไม่เอาดีกว่า แล้วเวลาที่เราเจอเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจอย่างเงี้ยนคะคะแล้วพอเราตอนแรกเราคือเราเราเรารู้สึก ด, ดีใจที่มีจุดนั้นแต่พอมีเรื่องที่ไม่สบายใจมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทําให้เรามองเห็นเลยว่า ม, มันมันเป็นความทุกข์ถ้าเทียบกับความสงบที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลืเอกที่จะตัดมันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยทั้ ง, ท, งทั้งที่มันเคยให้ความสุขก็ตามหรือตอนนี้มีความทุกข์ก็ตามก็คือหันมาเอาความสงบตรงนี้คือเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเจรนาใช่ไหยคะเก็ ก็รู้ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์เลยทุกข์เราก็ไม่เอาก็โยนทิ้งไปเอาสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นสุขก็มีอันเดียวก็คือความสงบนะนอกนั้นเป็นทุกข์หมดนะสัพเพสังขาราทุกขาของทุกอย่างในโลกนี้เป็นสังขารของที่ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยด้วยดินน้ำลมไฟเรียกสังขารหมดนะต้นไม้ใบหญ้ามนุษย์ร่างกายของคนวัตถุข้าวของของใช้ต่างๆมันของผลิตขึ้นมาทั้งนั้น ผลิตด้วยดินน้ำลมไฟของอะไรที่ผลิ ต, ตเดี๋ยมันก็ต้องพังไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องพังเพราะมันไม่เที่ยงก็จริงการมองแบบนี้คือใช้ได้กับทุกเรื่องอ่าทุกเรื่องที่เราไปหลงอยากได้ยืดๆติดว่าเป็นของเราให้ความสุขกับเราต้องมองว่าสักวันมันจะให้ความทุกข์กับเราเวลามันหายไปเวลามันจากเราไปหรือเวลามันเสื่อมไป เรารู้สึกโกรธเขาแต่เราไม่สามารถเป่งวาจาแปลว่ า, าโกรธเขารุนแรงแต่ในใจเรามันยังโกรธอยู่ยังโกรธอยูอ่ก็พุโทโธพุธโทโธดับมันไปถ้าถ้ามีปัญญาก็พิจารณาว่าเราโกรธเขาเพราะอะไรเพราะอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ทำเราก็โกรธเขาใช่ไหมแต่าการที่เราใช้วิธีว่าเหมือนแบบตัด บ, <c oughs> บ้าจับถ้าตัดได้ก็ดีเลย วมมัันย<น>งีทุก็แต่เพราะมันยังไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยต้องกลับไปแก้ที่ตน้นเหตุต้นเหตุก็คือเราไปอยากให้เขาทํางงทอย่างนั้นทําอย่า ง, งนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พอก็ไม่พูดไม่ทําเราก็โกรธเขาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเขาจะทำมันก็ช่างหัวเขามันก็เราก็จะไม่โกรธเขาแต่ถ้าการที่เราเอาสมาธิเข้าไปข่มเราเนี่ยมันถือว่าไปกดไว้เชยไปกดไว้เฉยเฉกดความโกรธเรา พอพอเพ้อปั๊บมันก็พุ่งขึ้นมาใหม่พอไปเจอเข้าใหม่ก็โกรธขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วปล่อยเขาแล้วเขาอยากจะทําอะไรก็ช่างหัวเขาเจอเขาทีไรเราก็จะไม่เดือดร้อนที่เราโกรธเขาเพราะเราอยากให้เขาทาอะไรสักอย่างใช่ไหมอยากให้เขาเป็นอะไรสักอย่างใช่ไ<ม>พมเราก็ไม่ทำเขาไม่เป็นเราก็โกรธเขาเราก็เปลี่ยนที่ใจเราเปลี่ยนที่ความอยาก เ, เราอยากไปอยากเลย มองก็มองเข้าเหมือนกับเป็นฝนฟ้าอากาศเนี่ยเราเคยโกรธฝนฟ้าอากาศไหมไม่โกรธเปนทําไมว่าเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันได้เป่าละการที่เรามองก็เป็นอากาศธาตุก็ไม่ถือว่าผิดก็ไม่ผิดเลยก็มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนแบบเรามองเขาแบบไม่มีตัวตนก็เป็นดินน้ําลมไฟก็ไม่ผิดมันถูกอ่ะไอเราไอเราเป็นมองบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการที่ที่เราแบบแค่มันตัด คือคือไม่ผิดตรงที่ว่ามันเหมือนดินฟ้าอากาศไงเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้แต่ไม่ใช่เป็นการเฉยเมยถูกไหมเจ้าคะไม่เฉยปล่อยวางคือทำอะไรไม่ได้ไปโกรธทำไมให้เหนื่อยเบาๆไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วไปโกรธเขาทำไมใช่ไหถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็หยุดเปลี่ยนเขาเท่านั้นเองไม่ได้เฉยเมยอะไรเหมือนลูกเราเนี่ยเราเห็นว่าเขาไม่ดีเราอยากจะให้เขาดีล้วก็สอนเขา สอนเขาแล้วก็ไม่ทําตามเราก็โกรธเขาก็อย่าไปโกรธเขาสแล้วมีหน้าที่สอนก็สอนไปเขาไม่ทําตามก็เรื่องของเขาแต่เราอย่าไปอยากให้เขาทาตามมันก็ไม่ทุกที่เราทุกเพราะอยากให้เขาทาตามที่เราสอนอันนี้ไม่เฉยเราทําหน้าที่เราก็สอนสอนแล้วมันไม่ทําตามก็ช่วยไม่ได้ก็เคยไปถามคาู้รู้บางท่านบอกว่าการที่เรามองคนอื่นเป็นอากาศทาก มันต้องกลับเป็นแค่เราผักมันผักสิ่ น, นั้นออกไปมันไม่ใช่เป็นการที่เราเข้าไปแก้ถือปัญหาคือมันต้องมองด้วยเหตุผลคาว่า<ม>เรามองข้อเป็นอากาศสทธานี้หมายความว่าอย่างไรมันต้องมีความหมายด้วย<ม>ความหมายก็คือว่าอากาศเราไปบังคับกันได้เปล่า<ม>เราไปเปลี่ยนมันได้เปล่า<ม>ถ้ามองอย่างนั้นก็ถูกเขาก็เป็นอย่างนั้นเราไปเปลี่ยนเขาได้เปล่าน<ม>ี่เราอยากไปเปลี่ยนเขา มองให้เป็นเหมือนผลไม้ก็ได้เรายกตัวอย่างเขาเป็นกล้วยเนี่ยอยากจะให้เขาเป็นส้มเนี่ยแล้วมันเป็นว่ะแต่เราอยากให้มันเป็นส้มอยู่เรื่อยใช่ไหมเขาดื่มเหล้าเราอยากจะให้เขาไม่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเปลี่ยนเขาอ่ะเปลี่ยนจากกล้วยมาให้เป็นส้มเนี้ยถ้ากลับเราไปก่อความอยากในจิตของเราอถ้าเราไม่มีความอยากเขาจะเป็นกล้วยก็เป็นกล้วยไปเท่านั้นเองแถ้าเราเฉยไปกับสิ่งที่เราเห็น ก็ไม่เฉยเพียงให้พูดได้แต่ยายายอย่าอย่าไปอยากบอกก็ว่ากินเหล้าไม่ดีนะกินเหล้าเดี๋ยวเสียหายอะไรนี้ก็บอกได้ทำได้แต่ไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ทำด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ทำด้วยความอยากบอกแล้วก็จบเขาจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไร ก็เนี่ยมานั่งคุยสอนญาติโยมปากเปรกปากฉีเนี่ยญาติโยมก็เห็นทาําตังเนี่ยไอเราก็ไม่เคยไปมีอารมณ์กับญาติโยมไม่ทําต่างก็เรื่องของญาติโยมใช่ไหมเออถ้ามีอารมณ์แบบนี้เราคุยด้วยกันไม่ได้เราทะเลาะ ก, กันแนะ่ อ้าวถ้าเราเป็นสัตว์ที่เขาฆ่าเราเราจะรู้สึกยังไงนะเราก็ต้องฆอา่าพยาบาตใครฆ่ากูกูก็ต้องฆ่ามัน <c oughs> เราไปฆ่าเขาเขาก็จะตับกลบมาตามมาฆ่าเราอย่าไปฆ่าเขาเพราะเราจะต้องไปถูกเขาฆ่าต่อไปเ <c oughs> พราะก็ที <c oughs> ่มารบกวนเราเนียเรากพวกอะไรกหาวิธีกันสิ การมันก็ได้ทำที่การที่กั้นไว้มันทำได้หรือไ ม, มก็ให้มันอยู่กับเราไปก็แล้วกันมันมาขอเป็นเพื่อนขออาศัยอยู่ก็จับที่ให้มันอยู่ไปเ ม, มตาามตาไงความเมตตา ในวิธีแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งคนเดียวสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาพอหนูมางูมาก็ตีหัวมันเลยกาาไป้าเวลาเราไปทานก็อย่าไปอย่าไรนี่ไย <c oughs> ก็อย่าไปสิอย่าไปร้านที่เ <laughs> ไออ่าไปอร้านที่ร้านที่เขาไม่มีของอย่างนี้ก็มียปสิาไปาทนีาอง้ก็มีกยาปสย่า้ท้เา่มอาก็อสอ่้ <c oughs> ความสุขแค่ปลายลิ้นถ้าต่อไปเขาเราไปแช่ในตู้แล้วให้เราไหวในตู้แล้วคนเขาจะกินเราก็าทีเราบา้างเป็นยังไงไม่มองมุมกลับกันบ้างอ่จำไหมสัตว์เขาทุกตัวเขาก็เหมือนเราอะ่ะก็มีดวงจิต ด, ดวงใจเหมือนกันเพียงแต่ร่างกายของเขาไม่เหมือนกับของเราแค่นี้แต่ใจเขารักตัวกลัวตายเหมือนเราทุกคนมองเห็นก็ต้องสงสาร พอพไปสั่งให้เขาใส่ถุงมาแล้วจะไปปล่อยซื้อถ้าไปกินร้านอาหารแบบนั้นสั่งให้เอามาใส่ถุงไว้แล้วเดี๋ยวจะไปปล่อยเข้าใจมมันไม่ใช่สั่งให้มันไปใส่ลงกระท ะ, ะไม่เมตตาเขานะถ้าเมตตาเวลาคุณไปร้านอาหารแบบนี้คุณก็สั่งผัดผัดน้ํามันผัดผัดผักน้ํามันแล้วส่วนปลานี่ขอให้เอ่อใส่ถุงพลาสติกไว้เดี๋ยวจะหิวกลับบ้านเดี๋ยวจะไปปล่อยออ อย่างเงี้ยได้บุญกินแบบเ น, นี้ยได้บุญได้ความเมตตาได้ความสุขใจได้ช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นเนี่ยเหมือนปานี่เหมือนมันติดคุกอ่ะแล้วจะถูกโทษประหารเนี่ยถ้าคุณติดคุกแล้วจะถูกโทษประหารแล้วมีคนเข้ามาถ่ายถ่ายโทษคุณคุณจะรู้สึกยังไงให้คิดถึงโหโหเขาโหอกเราบ้างสิ อยนีี้ถ้าคุณไปกินนันอาหารแบบนั้นนะถ้าเพื่อนก็ชวนไปคุณลองบอกเพื่อนนะกลัาผัดผักก็พอส่วนส่วนให้ตัวปลาตัวกุ้งเนี่ขอให้เขาใส่ถุงให้กูหน่อยนะะเดี๋ยวจะไปปล่อยอย่างนี้สบายใจให้มีความสุขกินเขาตายกินเขาเอาชีวิตเขากินค่าความสุขแค่ปลายลิ้นเงนี้ยหน่อยพอเข้าไปในท้องมัมหายไปหมดแล้ว อาเป็นบาปเป็นกรรมทำอะไรกับใครไว้จะต้องกลับไปถูกเขาทำกรรมนี่คือกฎแห่งกรรมต่อไปเกิดไปเกิดเต็นปลาก็โดนก็จับไปใส่ใส่ถังแน่ๆนะไม่คิดมุมกลับกันคนเราจะเอาแต่ได้ไม่อยอมคิดมุมเสียกันบ้างเวลาเสียก็มาบ่วนว่าทำไมต้องมาทำกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ไอท้ทีเวลาไปทำก็ไม่เคยคิดเลย พวกนี้เป็นอาหารของเราเนี่ยมันจะเบาลงนะเบาม่ลงเบาลงไม่เท่ายังไงนะหมายถึงว่าปลาคุ้งอะไรเนี่ย เ, ออเป็นอาหารของเราใครไปบอกให้เป็นอาหารของเราถามมันแล้ว <c oughs> เปล่าว่ามันยา <c oughs> เราเป็นคนไปไปไ ป, ไปมาว่าเป็นอาหารของเราไม่ถามเันบ้ามึงยาวมาเป็นอาหารของกูเปล่า <c oughs> <c oughs> เราเนี่ยมันชอบเอาเปรียบเอาแล้วเอาเปรียบคนอื่นเนี่ย ทำไมก่อนที่เจ้าเข้ามาเป็นหารของเราเราถามก่อนเลยขออนุญาตเขาก่อนคุณยอมมาเป็นอาหารของผมหรือเปล่าทําไมเขาไม่มีสิทธิ์บ้างเลยเรามีสิทธิ์คนเดียวเหรอใช่ไหมเวลาคุณไปตีหัวคนหนึ่งมันเป็นสิทธิ์ของผมที่จะตีหัวคุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาตีหัวผมใช่ไหมเราต้องมองมุมกลับเนี่ยแล้วเราจะได้ไม่อยากจะไปทำร้ายใคร ราะกดแห่งกรรมมันเป็นเหมือนกระจกเนี่ยมันจะมันจะมันจะเป็นเหมือนกันเลยแล้วทำใครเดี๋ยวภาพกระจกมันก็จะย้อนกลับมางั้นอย่าไปทำใครดีที่สุดทำแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรม เนี่ยเข้าใจวา่าถ้าตายตอนนี้นนถือไปอบายในอยนอนลมจะกลัวแต่ว่าณตอนนี้ค่ะคือพอมาศึกษาและปฏิบัติได้ระยะล้วเ ล, นวลานี้เรฟังเทศปรอาจารย์เรื่อยๆพอคิดไปเรื่อยๆแล้วมันจะแบบความรู้สึกมันเปลี่ยนไปคะอาจารย์คือมันจะรู้สึกเฉยๆมันจะไม่กลัวเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าถ้าเจอจริงๆเนี่ยมันก็ไม่แน่เพราะเราเยังไม่รู้นะตอนนี้คื อ, อในความจริงเนี่ยเราเรารวางมันได้จริงหรือเปล่าเนาี่ยค่ะ วันี้ก็เลยอยากจะรบกวนถามว่าคือคือจะพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในเคสที่ว่าต้องเจอจริงๆอ่ะคะะ่ะอาจารย์ใจที่จะไม่ไปทุคตินะตอนนั้นคือจะต้องเป็นใจที่ความเสฉยวามเฉยจริงๆใช่ไหมครัอาจารย์คือจะไม่รนลานไม่กลัวมันใจมันก็ต้องสงบอคออกใจต้องสงบต้องต้องปล่อยวาง อ, อถ้าไม่งั้นมันก็จะทุกข์มันก็จะร้อนรอนใจร้อนมันก็เป็นอับอาย ใจเย็นก็เป็นสวรรค์สวรรค์ชั้นต่างๆก็มองให้มันตายไปเลยมองมองทีอื่นคิดบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะมันก็จะเฉยได้อล่ลนะเดี๋ยวจะให้พรก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกรอบหนึง่งใครอยากจะกลับจะได้กลับได้ ยะถาวาริวะหาปุราปิริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอ an ุปกปติอิชิต um ังปัชชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ พระโสยะถาสพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินกศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนยัตตารธรมมวาทานติอายุวันสุขัง อาลังอาปู่แล้วที่นี่จะเลี้ยไม่เราไม่ได้ไปฆ่าเนี่ยป่ามากก็เราสั่งอาหารมันก็เท่ากับไปชี้แล้วถึงแมไจะไปชี้กับนิ้วกับมือ แต่เราสั่งอาหารเขาก็รู้ว่าเราต้องการอาหารสดจากในตู้นั้นเขาก็หยิบมานอกจากเราสั่งไม่เอานะเอาอาหารเอาของที่ตายแล้วอย่างนี้ถึงจะพ้นต้องสั่งเขาเจาะจงเช่นไปที่ร้านอาหารถึงแม้เขาจะมีมีปลามีปูอยู่ในตู้อย่างนี้เราก็บอกไม่เอานะเอาแบบที่ของของที่ตายแล้วเอาถ้าเขาบอกไม่มีงั้นก็เอาผัดผักก็แล้วกัน ไม่อย่างนั้นเขาจะคิดว่าเราสั่งให้เขาเอาของสดมาข่าเรามาฆ่าให้เรากินยังไงสบายดีแล้วปีเท่าไหร่เร็วเลยนะรัดเร็วเนะก่งเลยนะเอ้า ก็ถามว่าดูไปวันว่าวตตอยู่กับปัจจุบันก็เลยชนให้อยู่ไปวันเป็นยังไงเป็น่างไรก็ถามดูเลยไม่มีอานาคตไม่มีอ่ ะ, ออะแล้วก็อยู่ของเราแบบสงบอยู่แบบไม่พุ่งสร้างอยู่แบบไม่มีครับไม่มีกิเลสรอกเขาอย่างนี้นอ่าแต่ละคนคาพูดมันมีหลายความหมาย ถามเขาความหมายของเขาหมายความว่าอย่างไใครกอีแล้ว่่ไนั่นหงออยากไหมไปหา่าใช่เ้ยไม่ต้องไม่ต้องอ่ะอยู่ที่ไหนมีความสุขก็อยู่ตรงนั้นแหละก็มันน่นับว่าเ่อกี้แล้วไม่ไปไหนอ่าเดดีอยู่เฉยได้นะ ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากอะไรเอี่ยอ่าดีวันนี้รวยนะวันนี้รวยวันนี้มันรวยนะเฮ้ยเฮ้ย้อเยเอ้ยเฮ้วทํ้ยังไงถึงยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเ้ยเยเฮ้ยเ้้เ้ย ก็เล่นไปก่อนเดี๋ยวทุกวันก็จะนอกเกงเดี๋ยวรู้ว่าเล่นแล้วเจ๊งก็อย่าไม่เล่นดีกว่าสบายดีลองจดไว้สต่แต่ละงวดเราซื้อเท่าไหร่แล้วเราได้ถูกเท่าไหร่สิ้นปีมามาบวกลบคูณหารดูว่าใคร เ, เราได้กำไรหรือขาดทุน อกากำไรแล้วก็เล่นต่อถ้าขาดทุนก็อย่าเล่นดีกว่าเอาเงินเก็บไว้เป็นรางวันอยู่แล้วใช่ไหมไมอน ม, มีความสุขใจก็พอแล้ว ม, มีความสุขใจแล้วมันจะไม่มันไม่ต้องการความสุขแบบอนะื่นไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมกูกทิ้งกายอยา ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นต้องนั่งสมาธิให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นก็ใช้อะไรบางทีไม่ไหวก็ทำงานเยอะๆก็ค่ะอต่ทำงานจะบางทีแบบมีความรู้สึกว่าคุณหมอบอกบาธทีเนาไม่ดูแลตัวเองบ้างหรืออะไรนี่ไม่เจ็บหรืองบอกว่ามันไม่รู้สึกเจ็บก็ทำไปเรื่อยๆถ้านั่งเฉยๆได้จะดีกว่าทางานเ่ย ให้สติพุทโทพุทธโทธไปแล้วมันก็นั่งเฉยๆได้แสดงว่าจิตเรายังไม่เฉยถ้ายังต้องทำงานอยู่แสดงว่าจิตมันยังไม่นิ่งพอถ้านิ่งเยอะไม่อยากจะทำอะไรนอกจากของจำเป็นเท่านั้นงานที่จำเป็นเท่านั้นถ้ายังต้องทำเพราะว่ามันอยู่เฉยๆไม่ได้แสดงว่าจิตยังไม่นิ่งลองนั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงดูนั่นก็ นั่งเก้าอี้สบายสบายไม่ต้องทรมานนั่งกายนั่งเฉยเฉยไม่ต้องลุกไปไหนหกชั่วโมงดีกลับไปทําอะไรหกชั่วโมงเหนื่อยจะตายไหมถ้าพยามันนั่งไม่ได้ก็เดินเมืนคนที่เขาไเดินดีได้หกชั่วโมงก็ได้เดินสลับกับนั่งก็ได้แต่ยังไม่ทําอย่างอื่นถ้านั่งเฉยเฉยได้สบายไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องเหน็ดหนื่อยต้องเฉยๆไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมถ้าไม่เฉยเดี๋ยวต้องไปชอปปิ้งซื้ อ, น, อ, น, น, อ, อนู่นซือ้อนี่วันนี้เข้ามากี่คนแล้วบุควันนี้สูงสุดสี่ร้ยสี่สิบค่ะสี่ร้อยสี่สิบทาง YouTube เท่าไหร่ย <29. S 1> ี่สิบเก้าทาง u t u b e ไม่ทราบว่าตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างมัน เสียงเราชัดแต่เสียงเสียงพวกคนอื่นชัดหรือเปล่าไหมล่ะชัดเฉพาะของเราหรือว่าเขาบอกว่าเขได้ยินชัดเจนมากเสียงเราชัดแต่เสียงแต่เสียงของหนูชัดหรือเปล่าไหมล่ะคงจะเป็นเหมือนเมื่อวานนี่ยนะเสียงเบาใช่ไหมแต่เฟซบุ๊นี้ชัดใช่ไหมทั้งของญาติโยมทั้งของเรานี่ยชัดใช่ไหอมีคําถามเข้ามายัง ยูทูบเนี่ยป่ะอ้า o u t u b e ก่อนอ่า Facebook ก่อนก็ได้ไม่รีบร้อนอะไรคำถามจากคุณแก้วมีความสงสัยเรื่องการทำบุญของตนเองคือตอนนี้อยู่ไกลทุกเดือนจะโอนเงินมาให้แม่และมีส่วนเหลือจากจะฝากน้องทำบุญโดยการโอนเงิน ไปตามวัดหลวงปู่หลวงตาองค์ต่างๆหรือโรงพยาบาลสงฆ์อยากทราบว่าตัวโยมจะได้บุญไหมคะเพราะรู้ว่าจะได้บุญต้องทําด้วยตัวเองอ๋อได้เราก็ทําด้วยตัวเองต้องทําด้วยของของเราเองเป็นหลักคนอื่นเอาไปทําให้เราได้แต่ต้องเป็นของของเราเราก็ได้ร้อยเปอร์ซ็นตคนอื่นเขาไปทําเขาก็ได้บุญอีกอันหนึ่งได้ได้ช่วยเหลือเรา ได้ช่วยคนอื่นได้ทำบุญเขาก็ได้บุญแบบนั้นไปคือบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นส่วนเราเราก็ได้บุญจากการเสียสละแบ่งปันขาของเงินทองของเราไปได้เราไม่ต้องไปที่วัดเองก็ได้โอนเงินกดเดี๋ยวนี้มีมือถือทางวัดเขามีหมายเลขบัญชีกดจุดกดหมายเลขป๊อปส่งป๊อมันก็ได้บุญแล้วล่ะ นีคำถามจากคุณส in uh, ัตตาทางยูทูบใช่ไหมทางอินดี้อินบล็ออ่าอินบ็อกเมื่อคนทางได้อนาจมาโดยมิชอบเราควรทําอะไรสักอย่างเพื่อเปิดเปิดโปรงเขาแต่เราอาจจะเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัยเราควรจะวางเฉยให้สิ่งต่างๆไปตามเวรตามกรรมแล้วเราก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วแต่เราจะเปิดโปงหรือจะวางเฉยะตามใจไงก็ต้อเราต้องพร้อมที่จะรับผลที่จะตามมา อยากจะเป็นวีราบุรุษก็ทำไปเปิดโบงไปคาถามจากคุณจิตสีอนุโมทนาบุญโดยไม่ได้ทำไม่ได้บุญหรอเจ้าคะเห็นหลวงตาท่านให้อนุโมทนากรรมถึงไม่ได้ทำแต่มีจิตยินดีในกุศลบุญยินดีออจิตขณะนั้นเป็นกุศลไม่ใช่หรอเจ้าคะมันบุญคนละอย่างเลย มันไม่ได้บุญที่เกิดจากการเราเสียสละเงินทองมันบุญจากการที่เรายินดีกับการเสียสละของคนอื่นมันไม่เท่ากันน้ำหนักมันไม่เท่ากันผลไม่เท่ากันคือคนอนุโมทนาบุญนี้จะไม่มีบุญคือรับรออยู่ข้างหน้าเข้าใจมเพราะไม่ได้เสียสละรับไปเพียงแต่ว่าทำให้ใจมีความสุขกับคนการทำบุญของคนอื่น พราะบางทีคนที่ทำบุญเป็นสามีเนื้อภรรยาเราแล้วก็เอาเงินเราไปทำด้วยถ้าเราไม่ยินดีเราก็จะทุกข์เข้าใจไหมพ่าเราจะเสียดายท่านก็บอกให้ยินดีจะได้เราจะได้บุญด้วยบางทีเราไม่ไม่อยากทำบุญเขาอยากทำแล้วก็เป็นเงินของสองคนพอก็าไปทาเราเสียดายเราก็ถ้าไม่รู้มูธนาเราก็จะเสียใจแทนที่จะมีความสุขใจ เราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราอนุโมทนาเอาไหนๆเขาก็ออกไปแล้วใช้ไปแล้วทําไปแล้วอจะมาจะมาไม่เห็นด้วยก็ทุกไปเปล่าๆก็อนุโมทนาดีกว่าเหมือนดอกกระดาดพลอยโจนไปก็จะได้มีความสุขไปกับเขาด้วยคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโยมปฏิบัติภาวนามาบ้างโดยกําหนดคําบริกรรมพุทโธพุทโธ มีหลายครั้งเกิดภาพอสุภะเช่นท้องเน่าเปื่อยเห็นร่างกายเป็นกระดูซึ่งเป็นส่วนใหญ่ภาพจะเกิดเมื่อขณะที่จิตสงบลงและครั้งหนึ่งไปภาวนาในป่าเมื่อเข้าที่สมาธิอธิษฐานภาวนาและบริกรรมพุทโธพุทโธสักระยะเกิดเห็นภาพก้อนเนื้อหัวใจอย่างแจ่มชัดและเต้นเป็นจังหวะพุทโธถียิบและพุทโธแน่นลงแน่นลงจนพุทโธหายไปจิตสงบ นิ่งอยู่นานจนกระทั่งออกจากสมาธิกาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าระหว่างภาวนาหากเกิดภาพนิมิตเช่นนี้อีกควรหยุดทำคำบริกรรมแล้วมาพิจารณาภาพหรืออยู่ในคำบริกรรมจนจิตสงบเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสงบเราก็ต้องบริกรรมต่อไปถ้าจิตเรายังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบเราก็ควรที่จะบริกรรมให้มันสงบก่อนแล้วเรื่องของภาพนี่เรามา เรามาจเจริญทีหลังต่อก็ได้ขั้นต้นนี้ถ้ายัางไม่มีสมาธิไม่มีความสงบควรจะเอาความสงบก่อนพอเรามีความสงบแล้วเราค่อยมานึกถึงภาพอสุภะต่างๆได้อีกทางนึงั น, น, นั้นก็เป็นวิปัสสนาขั้นปัญญาต่อไปคาถามจากคุณเจ้าหนานหลวงทิฏฐิชุดกรรมบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรง เป็นบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์คือเห็นตรงอะไรครับเห็นตรงกับความเป็นจริงไงเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงอันนี้เรียกว่าการมีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็จะไม่ทำบาปจะทาบุญจะปฏิบัติธรรมเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิด คำถามจากคุณพัคพรเมื่อคืนหนูปวดท้องทรมานพยายามท่องพุโทโธก็เอาไม่อยู่คิดว่าไม่อยากหายร่างกายไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นท่องพุโทโธก็ยังทุกข์ทรมานจนมันหายจึงคลายทุกข์อย่างนี้ควรฝึกเผชิญกับความเจ็บปวดของร่างกายอย่างไรดีคะก็พยายามสู้มันไปเรื่อยๆอย่าอย่าไปกลัวมันอย่าไปหนีมันมันมาต้องยินดีต้อนรับมัน ก็เราชอบมันยินดีเราก็จะไม่ทรมานที่เราทรมานเพราะเราเกลียดมันเราไม่อยากจะให้มันมาเราต้องเปลี่ยนใจเราเราต้องยอมรับว่ามันถ้ามันจะมาก็ต้อนรับมันเสียอย่าไปอยากให้มันหายเพราะอยากแล้วมันจะทรมานวิธีจะทาให้เราไม่อยากก็ให้เราพุโทโธไปพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับมัน มันจะมาหรือไม่มามันจะไปหรือไม่ไปก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันขอให้ใจเราเฉยๆพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าเราเปลี่ยนใจจากเกลียดไปชอบได้ก็สบายเพราะถ้าเราชอบอะไรแล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราชอบใช่ไหมถ้าเราชอบความเจ็บนี่เวลามันมาเราก็สุขเลยอ๋อมาแล้วคนชอบกินพริกนี่อร่อยไหมคนกินของเผ็ดนี่ต้องมีพริกเผ็ดๆมันถึงจะอร่อยใช่ไหม แต่คนที่ไม่ชอบกินพริกนี่เจอเม็ดเดียวก็ถอยแล้วทุกข์แล้วเอเนี่ยบางทีเราก็ต้องเป็นสาดิสมั่งซาดิสในทางที่ถูกคือชอบเจ็บของเราอย่าไปให้คนอื่นเจ็บอย่าไปท้าให้คนอื่นเจ็บนะแต่ไม่ได้เจ็บแบบบังคับให้มันเจ็บเจ็บแบบมันเมื่อมันเกิดขึ้นก็ไหนๆก็จะต้องอยู่กับมันแล้วก็อยู่แบบชอบกันไม่ดีกว่าเลยหรืออยู่แบบเกลียดกันยังไงจะดีกว่า สมมติคนจะต้องอยู่กับใครสักคนเนี่ยอยู่แบบรักกันดีกว่าหรืออยู่กับแบบเกลียดกันดีกว่านีถ้าอยู่แบบเกลียดกันมันก็จะคอยจะกัดกันอยู่เรื่อยใช่ไหมถ้าอยู่แบบรักกันมันก็เห็นกันทีไรก็มีความสุขขึ้นมาอมันอยู่ที่ใจเราท่านนี้ใจเราต่อต้านความเจ็บกันไม่ชอบความเจ็บพอมาก็อยากจะให้มันหายพออยากให้มันหายมันก็เลยทุกข์มันก็เลยเครียดขึ้นมา แเราต้องอย่าไปให้มันอยากวิธีไม่ให้อยากก็คือชอบมันถ้าเราชอบมันเราก็จะไม่อยากให้มันหายไปคำถามจากคุณสารา <c oughs> เด็กเล็กกับผู้ใหญ่ทำบาปอย่างเดียวกันด้วยเจตนา <c oughs> เช่นฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆหรือลักของแต่เนื่องจากเด็กยังไม่มีสามารถพิจารณารู้บาปบุญคุณโทษอย่างผู้ใหญ่ผลบาปจะเสมอกันหรือไม่ครับและเราควรสอนเด็กเล็กๆอย่างเรื่องนี้อย่างไรครับ าการกระทำบาปมันก็มีผลเท่ากันจะรู้หรือไม่รู้เหมือนทำกฎหมายทำผิดกฎหมายจะรู้หรือไม่รู้เขาก็ถือว่าผิดเหมือนกันเด็กถ้าเด็กไม่รู้ก็ต้องสอนเขาให้รู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรไม่ควรทำคำถามจากคุณจันทนากาบเรียนถามเรื่องการถวายน้ำหน้าหิ่งพระจำเป็นต้องทำทุกวันหรือเปล่าคะ ไม่ต้องทำเลยพระก็ไม่หิวน้ำหรอกคำถามจากคุณวิไลอภัยทานเป็นธรรมและธรรมาทานอย่างไหนชนะทานทั้งปวงเจ้าพระเมื่อก่อนจะได้ยินว่าการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงแต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นอภัยทานไป ไม่ใช่หรอธรรมะนี่แหละเป็นการให้ชนะเพราะว่าก่อนจะให้อภัยทานได้ก็ต้องมีธรรมะสอนเราก่อนถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเราก็จะไม่ให้อภัยใครหรอกใช่ไหมยัง้งธรรมะนี่เป็นธรรมที่ชนะการให้ทั้งปวงคำถามจากคุณพินพินถ้าคนที่เขาโกงเงินเราไปเยอะเราจะมองเขายังไงดีคะเพื่อที่เราจะได้สบายใจ ก็แล้วแต่มองว่าเราเป็นหนี้เขาแล้วก็มาเอาคืนไปก็ได้ไม่มองว่าเป็นการทําบุญไปก็ได้ไม่ต้องมาวัดมีคนมารับถึงที่บ้านเลยก็แล้วแต่จะมองนึกยัมองว่าไม่ใช่เป็นของเราของเขาฝากไว้ก็ามาขอเอาคืนไปก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่จะมองถ้าเจาก็มาขอเรื่อยๆอะไรอ่ะเราก็ตรองจากวิธีซ่อนเน่ย เราก็ต้องซ่อนไว้สิเราก็ต้องซ่อนวนะ่อย่าให้เขาเห็นอย่าให้เขารู้คำถามจากคุณมิไลขันหนึ่งและขันห้ามีอะไรบ้างคะกายทิพย์คือนามกายใช่ไหมคะขันห้าเนี่ยเรารู้แต่ขันหนึ่งนี่เรายังไม่แน่ใจว่าเข้าหมายเทงไ <laughs> ขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ แต่ขันหนึ่งนี่ยังไม่เห็นก็พูดเหมือนกันแต่ไม่เห็นมีแสดงว่ามันเป็นอะไรกันแน่อันนี้เป็นเป็นบทส่วนมนตที่ใครแต่งขึ้นมาก็ไม่รู้มีทั้งขันสี่ขันห้าและขันหนึ่งจัดทั้งหลายเขาแบ่งไว้มีมีสามจำพวกพวกที่มีขันห้าพวกที่มีขันสี่และพวกที่มีขันหนึ่งขันห้าก็พวกมนุษย์พวกเดรัจฉานเนี่ยมีขันห้าขันสี่ก็พวกเทวดามี มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาแต่ไม่มีรูปไม่มีร่างกายอส่วนไอ้ขันหนึ่งนี่ไม่รู้หมายถึงใครพรมเหรอมเหรอก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นจิตที่สงบก็เลยมีขันเดียวเพราะว่าเวทนาสัญญาสังขารไม่ทํางานอเหลือแต่วิญญาณตัวเดียวใช่ไหมเหลือแต่วิญญาณขันตัวเดียวอะเก่งเว้ยมีคนตอบให้ ข้อที่สองธรรมกายคืออะไรคะเออก็ากายของธรรมไงร่างกายของธรรมอันนี้ก็เป็นโมหานคือธรรมะนี่เราก็พูดเป็นเปรียบเทียบได้หลากหลายลักษณะเขาก็เรียกว่ามีธรรมก็มีสี่ร่างไงโสดาบัานส ก, กิรดาคามีอนาคามีอรหรันนี่กแล้วก็เรียกว่าเป็นร่างร่างได้พระอริย บ, บุคคลเนี่ยก็สี่ธรรมกายก็ธรรม ขั้นที่หนึ่งก็คือโสดาบันขั้นที่สองก็สกิจดาคามีขั้นที่สามก็อนาคามีขั้นที่สี่ก็อาหารหันต์อันนี้เราคิดเปลนะไม่รู้ตรงกับเจ้าของที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้หรือเปล่ากองมัม้เก็ลองถามในก o เ g ิลดูดิลองถามดูธรรมการนี้แปลว่าอะไรกันแน่ถ้าแปลตรงตัวก็คือร่างกายของธรรมใช่ไหมธรรมก็มีสี่ระดับใช่ไหอ ก็มีโสดาบันสกิดาคามีอน า, าคามีอาราหารันห์คำถามจากคุณสุรจิตอานันตรยักรรมเป็นกรรมหนักให้ผลร้ายแรงมากด้านไม่ดีถามว่ากรรมหนักด้านดีมีอะไรบ้างกรรมหนักด้านดีหมายถึง <c oughs> การทำความดีกรรม็ <c oughs> มักผลนิพพานไงแล้วผลนิพพานเนี่ยมักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่ง อ, อันนี้เป็นกรรมดี คำถามจากคุณธยารัฐใช้กรรมเป็นหนี้ไม่หมดสักทีสิบกว่าปีแล้วเอาเขาเล่าให้ฟังค <laughs> <laughs> <laughs> ำถามจากคุณพียลูกๆให้เงินแม่เดือนละสองหมื่นกว่าบาทแต่ไม่ถึงเดือนเงินจะหมดก่อน <laughs> เคยถามท่านบอกว่าส่วนใหญ่เอาไปทำบุญหมดบางครั้งไปซื้อของกับเพื่อน เงินไม่พอลูกๆต้องไปคืนให้เคยบอกแม่ว่าให้ท่านเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งยามจำเป็นแต่ก็ไม่เคยสำเร็จลูกๆควรปฏิบัติต่อแม่อย่างไดดีคะจึงเหมาะสมครับก็เก็บให้แม่แทนสิเวลาแม่จะเป็นก็้แม่ขอมาเราถ้าแม่เก็บไม่ได้เราก็เก็บให้แม่แทนคำถามคำถามจากคุณธงชัย การนั่งสมาธิแล้วฟังเทศคือการฟังแล้วให้เราจับรู้เรื่องที่เทศใช่ไหมครับถามว่าผมนั่งฟังเทศใจมันมีเรื่องปรุงแต่งหายไปสักพักก็กลับมารู้ที่เสียงเทศผมทําถูกใช่ไหมครับต้องไม่หายต้องฟังเสียงเทศตลอดเวลาถึงจะเข้าใจความหมายของเทศที่เราฟังถ้าเราต้องการนั่งสมาธิเราก็อย่าไปฟังเทศแล้วก็ปิดเสียงเทศแล้วแล้วก็ดูลมหายใจเลยพุโทโธไป แต่ถ้าเราอยากจะใช้เสียงเทศมากล่อมใจเราแล้วก็เปิดเสียงเทศแล้วก็ฟังเสียงเทศไปถึงแม้จะไม่เข้าใจความหมายก็ไม่เป็นไรขอให้ใจเราเกาะติดอยู่กับเสียงเทศใจก็จะสงบได้เป็นสมาธิได้ใช้เสียงเทศเทศเป็นแทนเป็นลมหายใจแทนแทนพุทโธได้แต่ถ้าจะนั่งฟังเทศแล้วก็พุทโธไปด้วยไม่ควรมันจะตีกันเอาอย่างใดอย่างหนึง่ง ถ้าจะนั่งพุโทโธไปก็ปิดเสียงเทศถ้าจะนั่งดูลมหายใจก็ปิดเสียงเทศถ้าจะใช้เสียงเทศเป็นอารมณ์กอบใจก็ไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมเอาแต่เสียงเทศเกาะติดอยู่กับเสียงเทศถ้าต้องการความรู้ต้องการปัญญาก็ต้องพิจารณาตามคำถามจากคุณธัญรัตน์ใช้กรรมเป็นหนี้ไม่หมดสักทีสิบปีแล้วทั้งที่ไม่ใช่หนี้ที่ตนก่อขอโอกาสด้วยค่ะ แน่ใจเหมือนกับขอแนวทางของความเมตตาให้หมดนี่เลยก็ใช้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันคิดว่าตราบใดยังมีชีวิตอยู่ยังมีกําลังใช้ได้ก็ใช้ไปคิดว่าเป็นการทําบุญไปก็แล้วกันคําถามจากคุณวรพัฒนแต่ก่อนทําบุญหนึ่งพันบาทมีความปิติอิ่มเอิบปัจจุบันทําบุญหนึ่งพันบาทรู้สึกเฉยๆจะได้บุญหรือเปล่าครับ หรือต้องเพิ่มรับให้มากขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกอิ่มเอิบครับก็ลองดูสิคำถามจากคุณกิติยาถ้าคนที่รวยมากสร้างด้วยตัวเองอยู่กับภรรยาไม่คิดมีลูกเมื่อตายไปทำพินายกรรมยกมรดกให้วัดหมดตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์ไหมคะต้องคัดให้ตอนที่ยังไม่ตาย พอตอนที่ตายนี่เราไม่รู้แล้วว่าเราให้หรือเปล่ายังถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องให้ตอนที่เรายัางไม่ตายเก็บไว้เท่าที่จําเป็นเก็บไว้พอสําหรับจ่ายค่าศพค่าสวดศพค่าสาราก็พอตรงนั้นก็ทําไปเลยเพราะว่าถ้าเราตายไปแล้วเราไม่รู้เดี๋ยวเกิดเข้ามีใครมามาม า, มาแย่งมาขัดไปขึ้นศาลกันวองน้องฟ้องศาลกันไม่รู้อีกกี่ปี เงินก่อจะไปเป็นของวัดได้นี่มันเราก็รออยู่งั้นงั้นถ้าอยากจะให้มันแน่ใจว่าเป็นบุญของเราเราต้องทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันจะได้เป็นเป็นบุญจริงๆเพราะถ้าเราให้โดยที่เราจํายอมนี่มันไม่ได้เป็นบุญให้ในตอนที่มันไม่ได้เป็นของเราแล้วเวลาที่เราตายนี้ของทุกอย่างที่เป็นของเรานีไม่ได้เป็นของเราแล้ว ยังจะจะให้ต้องให้อย่างตอนที่มันยังเป็นของเราอยู่คําถามสกุณปราณีไปทําบุญกับหลวงปูล่ลีและต่อด้วยงานหลวงตามาหาบวัวแต่ไปแล้วเกิดอาการท้องเดินอย่างแรงต้องเข้าโรงพยาบาลหนึ่งคืนเมารถเมารถมาวัดตาบ้านตาตั้งใจจะขึ้นไปบนเจดีแต่ไม่ได้ไปแต่ได้กลับหลวงปูล่ลีอย่างนี้เขาเรียกมีบาป ก, กรรมใช่ไหมคะคือทําบุญไม่ครบตามที่เราตั้งใจ ก็ไม่แน่หรอกบางทีก็เขาเรียกว่า น, นิจังมากกว่าไม่มีอะไรแน่นอนอาจารถึงบอกว่ามีโอกาสทำบุญเมื่อไหร่ให้รีบทำซะอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวพอถึงเวลาจะทำแล้วมันอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ดังนั้นถ้าทำได้ตอนไหนรีบทำไปเลยเคำถามจากคุณวรพัฒ ผมมีความรู้สึกว่าถ้าได้ถวายปัจใจหรือทาบุญโดยถวายกับมือพระจะมีความปิติมากกว่าโอนผ่านธนาคารครับก็ได้อันนี้เป็นอุปทานของเราเป็นความรู้สึกของเราแต่ความจริงมันเท่ากันอ่ะคือเราก็เสียเงินเท่าเดิมใช่ไหมคำถามจากคุณจันทนาชาญมีอะไรบ้างเจ้าคะฝึกได้อย่างไรเจ้าคะ เดี๋ยวใส่เข้าไปใน Google เนอเนี่ยชกเกช์เชสรสฐะอานอนอน อ, นอนเอเนนใช่ไ้เดี๋ยวโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเลยเหมอหมดแล้วค่ะหมดแล้ ว, ลว<ง>เดี๋ยวนี้ความรู้มีในมือถือเยอะแยะไปหมดไม่ต้องถามบางอย่างไม่ต้องถามถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติบางทีมันไม่มี แต่ได้ความรู้แบบตามตํารานี่มีเยอะแยะไปหมดดีกว่าด้วยท่อาจารย์ครับโยมไม่ตื่นพุทโธตลอดแต่จลางวันที่มีสติเหมือนกนะันพุทโธแล้วมันจะหยุดหรือว่าจะคิดอะไรอยู่ก็พุทโธขึ้นมามันก็จะหยุดการคิดที่แล้ไม่คิดไม่ดีไปแต่ตลางคืนในเวลานอนแล้วมันเอาไม่อยู่ก็สติแล้วไม่มีมากไม่มีกําลังเวลานอนนี่มันสติมันจะ อ, อ่อนมันจะหลับ นังไม่หลันแหละมันอ่อนลงไปงั้นมันยังไม่หลับแต่มันใกล้จะหลับเลมันอาไม่อยู่เลยมันฟๆไปเรื่อยๆอ่ก็ต้องลุกขึ้นมานั่งแทนถ้าอยากจะเอามันอยู่ก็ต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งมันก็ง่วงเอ่าเพราะมันไม่มีสติมันก็ง่วงสิอย่างบอกให้ลุกขึ้นมามันจะนี่ก็เดินทํามันง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจงกรมไปมันก็จะหยุดได้แล้วอีกข้อหนึงถ้าตัวเองทําท<ส>ําบุ ไม่ใส่บาทจะใช้เป็นเงินได้ใช่ ไ, ได้แต่ยอาเงินใส่บาทเท่านั้นอ่ะไม่ใช่อเอาเป็นเงินแทนเอาเงินไปโดยจากให้วัดได้เนื้อให้ใครก็ได้ให้พ่อให้แม่ก็ได้การใส่บาทได้คําถามจากคุณสุริยาเรื่องการใช้คําบริกรรมในการภาวนา ในการปฏิบัติภาวนาอยากทราบว่าเราจะเลือกคําบริกรรมให้ถูกกับจริตของเราได้อย่างไรครับการเพ่งกสินดีไหมครับหรือควรใช้คําบริกรรมในการภาวนาก็เราต้องลองดูสิมันไปร้านอาหารไม่มีอาหารหลายชนิดใช่ไหมก็เราไม่เคยกินอาหารชนิดไหนเราก็ไม่รู้ว่าไหนจะดีเราก็ลองสั่งมาเอาอันนี้ก่อนอันนี้กินถูกปากไหมไม่ถูกเดี๋ยวข่าวหน้ามาเอาอย่างหนึง่ง ลองมันไปแล้วเดี๋ยวก็จะเจอของที่ถูกกับเราแล้วก็เอานั้นไปมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันนะวิธีจะทำใจให้สงบวิธีจเจริญสติที่เรีกว่ากรรมฐานสนะี่สิบคำถามจากคุณจันปาเปตและอสุรกายอยู่บนโลกเหมือนกับมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานหรือเปล่าครับอ๋อไม่หรอกมนุษย์เดรัจฉานทุกเทวดานี้ไม่ได้อยู่ในโลกเท่านนะั้นที่อยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเรานะ ตัวเราคือจิตเราไม่ได้อยู่ที่โลกนี้นะที่อยู่ในโลกนี้คือร่างกายกับเดรัจฉานแต่จิตของเรานี่อยู่ในโลกทิพย์เหมือนกับเทวดาเหมือนกับเปรตเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระอรหรันต์ี่อยู่ในโลกทิพย์ทั้งหมดเนพะียงแต่ว่าเรามีเราส่งกระแสะมารับมารับ ม, มาติดกับร่างกายของเราได้ ถ, ถ้าเรามีร่างกายเราก็ส่งกระแสจิตมาเกาะติดกับร่างกายนี้ ทำให้เรารับรู้เรื่องต่างๆที่ร่างกายนี้รับรู้ได้แต่ถ้าไม่มีร่างกายนี้เราก็จะไม่มีมีตัวมารับรู้เราก็จะอยู่ในโลกที่จนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่เราถึงจะมารับรู้เรื่องราวต่างๆที่มีในโลกนี้ได้พวกเปรตพวกเทวดาพวกอสุ ร, รกายพวกสัตว์นรกนี่เขาไม่มีร่างกายเขาก็เลย ไม่สามารถมารับรู้เรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในละอยู่ในโลกนี้ได้แต่เขาก็อยู่เขาก็อยู่ในโลกทิพย์ของเขาเขาก็สุขกับทุกของเขาได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายถ้าทุกก็เรียกว่าบายเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรลกายบ้างเป็นนรกบ้างถ้าสุขก็เป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยบุคคลบ้างนี่เกิดสภาพของจิตทั้งหมดนี้อยู่ในโลกทิพย์หมด ดวงจิตดวงใจของพวกเราทุกคนนี้อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้เพียงแต่มันส่งกระแสมายึดติดกับร่างกายนี้ส่งมาที่ตาเพื่อมารับมารับรู้เรื่องภาพที่เห็นด้วยตาส่งมาที่หูเพื่อจะได้รับรู้เสียงที่ได้ยินทางหูผู้ที่ได้ยินขณะดนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์จะว่าใกล้หรือว่าไกลจากร่างกายก็พูดไม่ได้เพราะมันไม่มี มันไม่มีขนาดมันไม่มีความก้างความแคบความลึกความหนาหรืออะไรจิตดวงจิตนี้มันไม่มีมันไม่มีขนาดมันเป็นเหมือนกับความว่างอย่างเงี้ยแต่มันเป็นตัวรู้ตัวคิดตัวที่ส่งวิญญาณมาเกาะติดกับร่างกายเพื่อจะได้รับรู้ภาพเสียงกยลิ่นรสต่างๆแล้วมันก็ไปเสพ ร, รูปเสียงกยลิ่นรสเหมือนกับดูหนังนจิตนี่เป็นเหมือนคนนั่งดูหนัง ร่างกายนี้เหมือนเป็นคนเล่นลกเรากําลังนั่งดูหนังกันดูร่างกายของเราไปยุ่งกับคนนั้นยุ่งกับคนนี้แล้วก็ดีอกดีใจเสียอกเสียใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ร่างกายเราไปเผชิญกันแต่จิตใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายถูกยิงถูกแทงจิตก็ไม่ได้ถูกแทงถูกยิงแต่จิตเป็นไ ป, ไปเจ็บไปกลัวแทนร่างกาย ร่างกายมันไม่รู้ว่ามันมันเจ็บหรือไม่เจ็บมันถูกยิงถูกแทงมันไม่รู้ร่างกายมันเหมือนต้นเสาเนี่ยมันไม่รู้เรามีดไปฟันมันก็ไม่รู้ว่ามันถูกฟันแต่เจ้าของถ้าเจ้าของกุฏินี่มันรู้ว่าใครมาฟันมีดมันจะตกใจมันจะโกรธแค้นขึ้นมาร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้เวลาใครมาทิ่งมาแทงร่างกายมันไม่เดือดร้อนแต่เจ้าของคือจิตที่มาเกาะติดกับร่างกายนีมันเดือดร้อน มันจะแค้นมันจะโกรธขึ้นมา <Yeah. S 1> มันจะอาฆาตพยาบาทพอร่างกายนั้นมันทางอันนี้อัร่างกายนี้ก็ต้องไปแทงอันนั้นต่อแต่ไอคนที่แทงจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ถูกแทงทั้งสองคนอะจิตของคนนั้นกับจิตของคนนี้ก็อยู่อีกที่หนึ่งแต่ใช่เหมือนกับว่าจับ้จับตุ๊กตาสองตัวมามาตีกันเนขออ้าใจไหมร่างกายเปรียบเทียบก็เป็เหมือนพวกหุ่นกระบอกเนี่ยหุ่นที่เขาบิเชิดเนี่ย คนเชิดกับตัวหุ่นนี่มันคนละตัวกันก็จร่างกายเราเนี้มันเป็นหุ่นส่วนใจเราเนี่เป็นตัวเชิดหุ่นทีน่นี่เวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนเชิดคนเชิดไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรด้วยแต่มันหลงคนใจมันไปนหลงคิดว่าเป็นร่างกายแล้วเจ็บแทนร่างกายไปกลัวแทนร่างกายไปทุกแทนร่างกายไปแต่ถ้ารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันก็เฉยเฉยมันก็จะไม่ทุกข์ ถามจากคุณจุมพศการสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นโดยไม่ได้นั่งสมาธิได้บุญหรือไม่ครับก็ได้สติไงแต่ยังไม่ได้สมาธิถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องนั่งเฉยๆไม่คิดอะไรพุทโธพุทโธให้จิตหยุดคิดถ้าหยุดคิดก็จะได้สมาธิคำถามจากคุณพิมพ์ทองคุณพ่อของหนูบนทุกวันทานข้าวไม่อร่อยเลยค่ะไม่มีรสชาติ ขนาดเปิดธรรมะพระอาจารย์ทุกวันจะแก้อย่างไรดีคะนั่งสมาธิทุกวันด้วยค่ะท่านอายุ86แล้วค่ะใครใครไม่มีรสชาติคนหนูก็ไม่แน่ใจตัวตัวหนูตัวพ่อน่าจะเป็นตัวพ่ออ่าก็ไม่รู้ลิ้นมันอาจจะเก่าแล้ว <laughs> ไปเปลี่ยนลิ้นใหม่ด้วย <laughs> คำถามจากคุณกอรแก้วลิ้นเสื่อมก็เลยลิ้นเสื่อมอันนี้จังนั่งสมาธิไปมีอาการร่างกายโยกควรทําอย่างไรคะก็อย่าให้มันโยกสิถ้ามีสติมันก็ไม่โยกพอนั่งแล้วมันชอบเสอแล้วก็ปล่อยให้มันโยกแสดงว่ามันมันเคลิ้มละมันจิตมันเคลิ้มมันสติมันจะเริ่มหมดแล้ะมันก็เลยโยก เราคุยกันนี้เราโยกไหมไม่โยกเห็นไหมตอนนี้เรานั่งคุยกันมีสติเต็มตัวแต่ถ้าเราลองนั่งเคลิ้มๆไปสิเดี๋ยวก็เริ่มโยกหัวเริ่มสับประงก์นั่นแสดงว่าสติกำลังจะหมดแล้วมันถึงมันถึงโยกอย่างนั้นก็ต้องรีบพุโทโธพุโทโธขึ้นมาใหม่อย่าอย่านั่งเฉยๆถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีอาการจะสับประงกจะโยกนี่แสดงว่าเราไม่มีพุโทโธแล้ว เราต้องพุโทโธพุโทโธขึ้นมาใหม่หรือสวดมนต์ไปก่อนดึงสติกลับมาก่อนคำถามจากคุณเซย่าจิตกายแยกให้ชัดและสติตามต่อเนื่องได้อย่างไรจึงได้ผลที่สุดครับคือจิตมันต้องมีสติมันถึงจะแยกจากกายได้ ถ้าไม่มีสติมันก็จะติดมันจะเกาะติดกับกายไปแต่ถ้าเรามีสติเรานั่งเฉยๆเดี๋ยวจิตกับกายก็จะแยกออกจากกันเวลาเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่เรากําลังแยกกายออกจากใจคําถามจากคุณพิสิทธิ์ถ้าจิตอยู่ในโลกทิพย์จะมีจิต ด, ดวงอื่นมากจะมีจิต ด, ดวงอื่นมาใช้กายเราได้หรือไม่ครับไม่ได้หรอกกายใครกายมันไง คำถามจากคุณมารีเวลาไปเที so Two, so ่ยวกับครอบครัวจะสุขแต่ก็ทุกไปด้วยเพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงสองความรู้สึกตลอดควรคิดอย่างไรคะก็อย่าไปเที่ยวแต่ถ้ามันทุกไปทำไมก็อยู่บ้านนั่งสมาธิไปดีกว่ามันจะได้ไม่ทุกข์อาจอยู่กับการอยู่เฉยๆได้แล้วมันจะได้ไม่ทุกข์กับการไม่ไม่ต้องไปเที่ยวแล้วก็จะไม่ทุกเวลากลับมาบ้านเพราะถ้าเราอยู่บ้านมีความสุขได้เราก็ไม่ต้องไปเที่ยว เราต้องสร้างความสุขใหม่ให้ได้คือความสงบให้นั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงให้ได้แทนที่จะไปเที่ยวหกชั่วโมง <c oughs> ก็นั่งอยู่บ้านสักหกชั่วโมงนั่งเฉยๆนั่งเก้าอี้สบายๆไม่ต้องทรมานไม่ต้องขัดสมาธิไม่ต้องอะไรถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนก็ได้แก้เมื่อยก็แล้วแต่จะคิดก็ได้คิดแล้วถ้ามันคิดแล้วมันทรมานถ้าไม่คิดมันจะไม่ทรมาน <c oughs> คิดเดี๋ยวมันฟุง้งแล้วเดี๋ยวมันก็จะนั่งไม่ได้ เขาจะทำตั้งให้มันไม่คิดให้มันพุโทโธพุโทโธไปแล้ว อ, อยู่เฉยๆหรือมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปแต่มันจะให้เราไปไหนผมไม่ไปใไห้มันนั่งอยู่ตรงนี้อย่างเดียวจะไปแห่งเดียวก็คือเข้าห้องน้ําถ้าหิวน้ําก็เอาน้ํำมาตั้งไว้ข้างๆหิวน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าๆคิดได้คิดได้แต่ไม่คิดจะดีกว่าคิดแล้วจะทรมาน อ่ามันฟุ้งแล้วมันจะเครียดถ้ามันหยุดคิดได้มันจะสงบแล้วมันจะนั่งได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ถ้าปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันคิดแล้วมันเราไม่ทาตามความคิดเดี๋ยวมันก็หยุดคิดเองมันก็สงบได้อีกแบบหนึ่งสงบแบบว่ามันหมดฤทธ์มันเหนื่อยคิดชวนเราไปนู่นไม่เราก็ไม่ไปคิดชวนเราไปทาไอ้นี่ก็ไม่ทำอย่างงี้เดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดคิดเองมันก็สงบได้ อันนี้ต้องใช้ขันติมากต้องสู้อดทนอดทนสู้ต่อความคิดความอยากแต่ถ้ามีสติมันช่วยมันจะทำให้เบากว่ามันมันง่ายกว่าอะไรก็ได้ทั้งนั้น่ะขออย่าไปทําตามที่มันจินตนาการกันแล้วกันถ้าจินตนาการก็จินตนาการไปในทางที่ดีสิจินตนาการถึงอสุภะนี่จินตนาการถึงความตาย มันจะชอบกินในการไปที่ศูนย์การค้าไปลามล่านอาหารตามลงภาพยนตร์มันเป็นจินอาการแบบมันก็มันก็อยากขึ้นมามันก็เครียดเมื่อมันอยากแล้วมันไม่ได้ทำตามความอยากมันก็เครียดแล้วก็บอกไม่ไปอยู่ดีบอกกูไม่ไปอยู่ดีบอกว่าเราเราตกลงกับตัวเราว่าตอนนี้เราจะอยู่ตรงนี้หกชั่วโมงไม่ไปไหนเอาเอาแบบกระต่ายขาเดียวสู้กับแันนี้ เอาความเอาความตั้งใจที่แน่วแน่าตอนนี้จะนั่งอยู่นี่หกชั่วโมงเป็นตายไร่ดีไงก็ยอมตายเหมือนพระพุทธเจ้านั่งใต้ใต้โคนต้นโพเนี่ยมจะไม่ลุกจนกว่าความอยากจะหมดไปถ้ายังอยากจะลุกอยู่ก็ไม่ลุ ก, กอ่ะได้ไ ด, ได้อันนี้เราไม่ได้ทำแบบขั้นขั้นนุนแรงเอาขั้นแบบขั้นเริ่มต้นกันขั้นอนุบาลก็ยังให้ผ่อนทางความทุกข์ทางร่างกายได้ ปวดฉี่ก็ไปฉี่ได้หิวน้ําก็ดื่มน้ําได้แต่ไม่ให้ดื่มกาแฟไม่ให้ไปดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างๆเขาทําได้เขาก็มีความสุขเลยบ้านก็ฟรีอาหารก็ฟรี <c oughs> <ม>อรอพอ น, น, นั่นสิถ้าเขาอยู่แบบที่เราสอนได้เขาก็สบาย <c oughs> เพราะเขาอยากไงเขาอยากจะออกอยากจะไปทํานู่นทนํานี่อยากจะไปหาคนนั่นคนนี้อยากจะไปดูนั่นดูนี่ มันเป็นนิสัยของคนเราทุกคนเน่ะมันมีความอยากทางตาหูจมูกนิ้งกายพอไม่ได้ทําตามความอยากมันก็เลยอึดอัดหงุดหงิดน้าคาญใจขึ้นมาถ้าเราสู้มันได้หยุดมันได้เราจะสบายจะไม่มีอะไรมาทําให้เราหงุดหงิดนําคาญใจก็ใครถ่ายมาไว้หกชั่วโมงแล้วก็ก็ลองทำยังไงทีงบอกให้ลองทําดูเลอถ้าเราอยากจะออกก็ข่าวแล้วมันจะจะดีขึ้นไหมฮะ โดยถ้าเราบังคับตัวเราไม่ได้ยังมีพระรูปหนึ่งท่านท่านไปอยู่ในป่าแล้วให้พระเพื่อนนี่จับตัวท่านนั่งท่านนั่งขัดสมาละแล้วเอาเชือกมามัดตัวท่านไม่ให้ขยับเลยเราบอกให้ทิ้งไว้สามวันไม่ต้องมาดูออท่านก็อยู่ได้ไม่ให้ขยับเลยเนี่ยอาแบบดุริแรงเลยเอาแบบเต็มที่เลยให้นั่งขัดสมะอย่างเงี้ยังแล้วก็เอ า, เ, อาเชือกมามัดตัวไม่ให้ขยับเลย เพราะว่าท่านบรรลุนะกระดูกท่านกลายเป็นพระธาตุสงสัยว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราผ่านไปได้ด้วยสติอย่างที่นั่ง6ชั่วโมงนะคะผ่านไปได้ด้วยสติแล้วเนี่ยคือต่อไปเราควรจะใช้เหตุผลใช้ปัญญาต่อไปใช้ปัญญาอใช้ปัญญาคือในระหว่างที่คือถ้าเราตัดใจละวัด จะใช้ปัญญาเนี่ยคือเราจะบริการไหมคะตอนข้างหน้า อ, อ๋อถ้าใช้ปัญญาไม่บริกรรใช้เหตุใช้ผลคุยกับกิเลสปัญญาคุณอยากไปไหนไปทําอะไรคึงทําแล้วได้อะไรกลับมานั่งอยู่ตรงนี้ดีอยู่แล้วไปทําอะไรให้เหนื่อยทําไมก็คือนั่งเฉยๆไปไม่ได้ดโทไม่ได้คิดอะไรแต่<ก>ถ้ามันอยคิดเงินแค่ปัญญาคิดเนี่ยคิดสู่ความอยากคือถ้าตอนนั้นไม่อยากก็คือก็เฉยๆไม่ต้องคิดแต่ว่าถ้าเกิดมันอยากคือมัก็ค่อยคิดแก้เหตุผไป ถ้ามไม่อยากก็ไม่มีปัญหา ม, มีปัญหาว่ามันอยากอยากก็ต้องใช้เหตุผลมาหยุดความอยากให้ได้พอหยุดความอยากได้มันก็อยู่เฉยๆต่อไปได้ไม่เครียดไม่งดหินไม่ลำคาญใจมีอีกไหมมีมาเรื่อยค่ะมาถามมลอสักสองสามข้อ คุณดาราถามว่าถ้าเรานั่งดูหนังประวัติพระพุทธเจ้าหกชั่วโมงจะได้ไหมคะ อ, อ๋อคือตอนตอนที่ให้นั่งนี่คือไม่ต้องการให้รับรู้อะไรเลยไม่ไม่ให้หาทางออกไปทางตาหูจมูกเล่นกายเลยให้ปิดทวารทั้งห้า <ไป S 1> จะเล่นลาย <y uck> ไม่ไม่ทั้งหมดหนังสือธรรมะก็ไม่ให้อ่าน <y uck> คือของนอกตัวไม่ให้มีเลยของนอกกายเราไม่ให้มีใช้เลยให้ใช้ของที่มีอยู่กับตัวเราแค่เนี้ยให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิใช้ขันติใช้อะไรพวกนี้เท่า น, นั้นนหะที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อจะมาสู้กับกิเลสของเราอันนี้เป็นเพียงแต่ในกรณีที่พูดนี้นะแต่ถ้าทั่วไปถ้าอยากจะนั่งดู ประวัติพระพุทธเจ้าหกชั่วโมงก็ด่างได้ดูได้ดีกว่านั่งดูหนังหกชั่วโมงประโยชน์นั้นต่างกันแต่ที่พูดนี้คือต้องการให้หยุดความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ให้ไปหาอะไรมาทำให้เราเพลิดเพลินเนธรรมดาใจเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องมีอะไรมาหล่อเลี้ยงให้มันเพลิดเพลินเดี๋ยวเสียงบ้างเดี๋ยวรูปบ้างเดี๋ยวกลิ่นบ้างเดี๋ยวรสบ้างนี มันก็ติดเป็นวิญญาเสพติดพอเวลาไม่ไม่ได้เสพมันก็หงุดหงิดลำคาญใจที่เราต้องการเลิกจะเสพเลิกเลิก เ, ลกเสพ ร, รูปเสียงกยลิ่นรก็เลยให้นั่งเฉยเฉยให้เสพธร ร, รมะแทนให้พุทโธแทนให้ใช้ปัญญาแทนว่าการไปทาไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรดก็จะต้องติดไปเรื่อยๆถ้าเราฝืนมันได้เลิกมันได้ต่อไปเราก็สบายอยู่เฉยเฉยได้ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเรา คำถามจะสองข้อคำถามจากยูทูบไลฟ์สัตว์ต่างๆจากผู้ม่ประสมออกนามนะคะสัตว์ต่างๆสวยชาติพกเป็นพระโพธิสัตว์ได้หรือไม่คะแล้วถ้าเราให้อาหารให้ทานเช่นให้ข้าวนกหน้าบ้านทุกวันก็จะคิดว่าอาจจะมีนกโพธิสัตว์คิดแบบนี้ถูกไหมคะก็จะคิดยังไงก็คิดได้จะถูกไม่ถูกก็เหมือนแทงหวยเดี๋ยวนี้ว่าจะแทงสองเก้านี่เดี๋ยวมันออกแปดสองนี่มันก็ไม่ถูกอ่ะมัน มันมันเราไม่รู้เนี่ยว่าใครจะเป็นโพธิสัตว์ไม่เป็นโพธิสัตว์แต่พูดตามหลักความจริงแล้วโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่เจเริญบารมีสิบประการนี่ก็เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์เจริญเมตตาจเจริญทานศีลเนคข ม, มะอุเบคาปัญญาอธิษฐานสัจจะขันติวิริยะนี่ถ้าเป็นคนที่ ทำอะไรแบบสุด ๆ, ๆแบบนี้เธอเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์อย่างอย่างพระเวสสันดรเนี่ยทําทานแบบสุดๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์นแต่ถ้าทําทานอย่างพวกเรานี่ยังไม่ถือว่าเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเวลามันทําทานแบบอกระล่อมกระล่มอย่างวิริยะใช่ไหมอย่างพระอะไรที่ลอยคอในกลางทะเลอพระม้าชนกเนี่ยว่าย เพี้ยนสุดๆเลยเคยค่ากายทำอะไรในบา ร, รมีทั้งศีลประการนี่แบบสุดๆเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโพธิสัตว์ได้ทีนกการเราไปรู้หรือเปล่าว่ามันทําอะไรเราไม่รู้หรอกจะดูก็จะเห็นในคนมากกว่าจะเห็นว่าคนนี้มีลักษณะเป็นโพธิสัตว์หรือเปล่าอย่างเช่นคนเขายกย่องในหลวงราชการที่เก้าว่าท่านเป็นโพธิสัตว์เพราะท่าน<ม>จเจริญทานบา ร, รมีท่านเสียสละ แล้วท่านก็ศึกษาธรรมะเข้าหาครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลานี่ทานอาจจะเป็นโพธิสัตว์หรือกลายเป็นพระอริยะขึ้นมาแล้วก็ได้มันจากโพธิสัตว์มันก็จะเป็นเป็นพระอริยถ้ามีคนสอนก็เป็นพระอริยถ้าไม่มีคนสอนก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเจ้าชายสิทธัตถานี้ไม่มีใครสอนก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา แต่คนอื่นนี้พอมีคนสอนก็ไม่ต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกแทนมันก็เหมือนกันมันก็ถึงนิพพานเหมือนกันคำถามสุดท้ายจากคุณ s ปิริ t การรับรู้อดิตชาติเป็นความสามารถรับรู้ได้จริงจากการปฏิบตัติหรือครับก็มันเป็นความรู้ในระดับฌานระดับสมาธิแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทุกคนที่ได้ฌานได้สมาธิ มันเป็นวาสนาเก่ามันเป็นอาจจะเป็นความสามารถที่ได้ฝึกฝนอบรมมาในอดีตแล้วมาชาตินี้พอจิตสงบมันก็สามารถระลึกชาติได้แต่ไม่ได้เป็นทุกคนคนนี้นั่งสมาธินี้ไม่จําเป็นจะต้องระลึกชาติได้ทุกคนแล้วก็ไม่จําเป็นจะจะเป็นพระอรหันต์ก็ไม่จําเป็นจะต้องระลึกชาติได้เป็นพระอรหันต์นี้ขอให้ละกิเลสได้ละความโลภโกรธหลง